ถ้าพูดถึงเรื่องของคําว่ากุศลอกุศลเนี่ยอแล้วก็พูดถึงรากก็ได้อธิบายค่อนข้างพอสมควร <c oughs> แต่มันมีมุมอีกนะมีมุมในเรื่องของ <c oughs> อกุศลมันเป็นอันตรายยังไง ร, รากของอกุศลเป็นอันตรายยังไงเป็นต้น โลภะโทสะเกิดขึ้นในตนเองก็บรรทรคนใจบาปเหมือนคุ้ยไผ่บรรทรต้ น, น, ตนไผ่ฉะนั้นเป็นต้นเนื้อเนื้อถ้ากุศลเกิดขึ้นมันก็เกื้อกูลนู้กรรมใดทำได้อโลภะอโทสะโมหะเกิดจากความไม่โลภไม่โกรธเกิดจากปัญญามีความไม่โลภมีความไม่โกรธมีปัญญาเป็นต้นเหตุเป็นตัวกําเนิดกรรมนั้นก็เป็นกุศลกรรมนั้นไม่มีโทษกรรมนั้นมีสุขเป็นผล กรรมนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความดับกรรมเป็นกรรมบันิโรดด้วยไม่เป็นไปเพื่อความเกิดกรรมต่อไปเนี่ยไม่เป็นกรรมสมบุตรไทยมีอยู่เรื่องหนึ่งที่พระเจ้ากล่าวถึงพวกกาลมาชนพวกกาลมาชนเนี่ยแยกไม่ออกว่าใครสอนผิดสอนถูกเกิดปัญหาเกิดขึ้นเลยนะว่าเออเนี่ยเวลา ใครก็มาพูดว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นต้นเหล่านี้เอาอะไรเป็นเครื่องวัดท่านก็เลยบอกว่ากาลามาชนทั้งหลายเมื่อใครท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยเองว่าทำเหล่านี้เป็นอกุศลทำเหล่านี้มีโทษทำเหล่านี้มีวินยูชนตีเตียนทำเหล่านี้เมื่อปฏิบัติถึงที่แล้วเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายก็จะพึงละเสีย ดูก่อนการมาชนพวกท่านจะสําคัญความข้อนั้นอย่างไรโลภะโทสะโมหะเนี่ยว่าเกิดขึ้นภายในตนเองแล้วเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลหรือไม่เพื่อเกื้อกูลเขาตอบว่าโอ้เกิดขึ้นไม่ได้เกื้อกูลเพื่อเจ้าข้าคนที่โลภแล้วขัดเคืองแล้วหลงแล้วถูกโลภะโทสะโมหะครอบงําแล้วเนี่ยมีจิตใจถูกบ่อนแล้วเนี่ยย่อมสังหารชีวิตบ้างถือเอาสิ่งของที่ไม่ได้ให้บ้างล่วงภรรยาผู้อื่นบ้างพูดเท็จบ้าง ชักชวนผู้อื่นให้เป็นอย่างนั้นบ้างซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานจริงไหมบอกจริงดูก่อนกา ร, รมาชนพวกท่านจะสําคัญความข้อนั้นอย่างไรทำนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลบอกทำนั้นเป็นอกุศลพระเจ้าค่ะประกอบด้วยโทษหรือไม่ใช่โทษบอกประกอบด้วยโทษพระเจ้าค้าผู้รู้ติเตียนหรือสารเสริญบอกติเตียนพระเจ้าค้า ทำเหล่านั้นเมื่อปฏิบัติถึงที่แล้วเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความทุกข์หรือหาไม่หรือว่าพวกท่านมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรตอบว่าถือปฏิบัติถึงที่แล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์พวกข้าพระองค์ก็มีความเห็นในเรื่องนี้อย่างนี้เนี่ยถามเรื่องเคยเกิดขึ้นมาแยกไม่ออกกลุ่มกัลยาณชนแยกไม่ออกพุทธิย่าก็ไปถามเรื่องว่า อกุศลเป็นยังไงรากของอากุศลเป็นยังไงกุศลเป็นยังไงรากเงาของกุศลเป็นยังไงให้มีแยกระหว่างบุญแลบะบาปโดยในนี้แหละการละมชนทั้งหลายข้อที่เราได้กล่าวไว้ว่ามาเถิดการลมชนทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าถือโดยฟังตามตา ม, ตามกันมาเป็นต้นก็หมายความว่าบางทีเราก็ไปอ้างฟังตามกันมาเอ่ยถือว่าท่านผู้นี้เป็นครูท่านผู้นี้ หน้าตาหน้าเชื่อถือท่านผูนี้คงไม่พูดโกหกเราเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะอย่าไปถือตรงนั้นเป็นประมาณแต่ให้มาพิจารณาไข้ควรให้เห็นทองแท้แล้วก็แยกระหว่างบุญกับบาปให้ออกรากของบุญและบาปให้ออกเป็นต้นเหล่าเนี้ยเมื่อแยกอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านก็จะเข้าประจักษ์ชัดได้ตัวเนเองว่าทำเหล่าเนี้มันมีโทษหรือไม่มีโทษเป็นต้นเราเนี้ยนะ เมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่าทําเหล่านี้เป็นอกุศลก็พึงละเมื่อท่านรู้ว่าทําเหล่านี้เป็นกุศลก็พึงเจริญเนี่ยนะต่อไปเนี้ยเป็นคําสนทนาระหว่างพระเจ้าประสิทิ์ที่กุศลกับพระอนุนถามตอบปัญหาเกี่ยวกับความหมายความดีความชั่วท่านถือหลักเกณฑ์บอกว่าราชาบอกพระคุณเจ้าผู้เจริญชนเหล่าใดเป็นคนพาลไม่ฉลาดไม่ใคร่ครวญไม่พิจารณาแล้วกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่น เราไม่ยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของคนเราอื่นด้วยความเป็นแก่นสารส่วนชนเราใดเป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาใคร่ควรพิจารณาแล้วกล่าวคุณหรือโทษของชนเราอื่นเราย่อมยึดถือการกล่าวคุณและโทษของคนเหล่านั้นด้วยความเป็นแก่นสารพระคุณเจ้ า, าอานนท์ผู้เจริญความประพฤติทางกายความประพฤติทางวาจาความประพฤติทางใจที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นวินยูเนี่ยจะพึงกล่าวโทษได้คืออย่างไหนท่านพานนท์ก็บอกว่า ความประพฤติทางกายทางวาตาทางใจที่เป็นอกุศลมหาบุพพิษพระราชาก็บอกความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่เป็นอกุศลคืออย่างไหนพระนนท์ก็บอกว่าความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่มีโทษพระราชาก็บอกความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่มีโทษคืออย่างไหนท่านพระนนท์ก็บอกว่าความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่มีความบีบคั้นราชาก็บอกความประพฤติทางกายทาง วาจาทางใจที่มีความบีบขั้นเป็นอย่างไหนพระนนท์ก็บอกว่าความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่มีทุกข์เป็นผลทุกข์มันเกิดขึ้นตอนนั้นด้วยเกิดจากพฤติกรรมมาตามลําดับด้วยแล้วก็มีทุกข์เป็นผลตามมาอีกหลายอย่างด้วยพระราชาก็บ่าความประพฤติทางกายทางวาทางใจที่มีทุกข์เป็นผลคืออย่างไหนท่านพระนนท์ก็ตอบเจาะลงไปว่าความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนก็ดีเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นก็ดี เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายก็ดีที่อากุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญแก่เขากุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมถอยไปมหาบาพิษความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจอย่างนี้แหละที่สมณพราหม์ทั้งหลายผู้เป็นวินยูจะพึงกล่าวโทษได้เพราะจะชัดเจนไว้ตัวนี้งั้นการประพฤติทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยที่เป็นอกุศลนับยังไงที่เป็นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตที่เป็นอกุศลใช่ไหม และเป็นยังไงจึงเรียกว่าเป็นอกุศลบอก ม, มีโทษพอพฤ่งทางกายแลว้วก็มันมีโทษกายกรรมที่มีโทษวัจีกรรมที่มีโทษมโนกรรมที่มีโทโษอะไรเรียกว่ามีโทษกายกรรมที่ทําไปแล้วมันบีบคั้นวัจีกรรมที่ทําไปแล้วก็บีบคั้นมโนกรรมที่ทําไปแล้วก็บีบคั้นไอ้ที่บีบคั้นยังไงบอกมีทุกเป็นผลเนี่ยเรียกว่าบีบคั้นจะทําทางกายทางวาจาทางใจมันบีบคั้นที่ใจก่อนไหมแล้วก็เบียดเบียนตนอยู่ไหม ไอ้ที่แบบียมีทุกเป็นผลคื อ, อยังไงมีทุกเป็นผลก็คือเบียดเบียนตนเบียดเบียน จ, จิตใจตนเองด้วยเบียดเบียนพฤติกรรมตนเองด้วยผลที่ตามมาก็ทำให้ตนเองเดือดร้อนด้วยใช่ไหมเดือดร้อนในปัจจุบันนั้ในการต่อไปด้วยเสื่อมลาบเสื่อมยอดนินทาโดยมากถ้าเรามองอย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อไปจะไปเจาะในรายละเอียดอย่างเงี้ยในตรงกันข้ามนะตรงกันข้ามถ้าเป็นกุศลก็คือสรุปว่าความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่มีสุขเป็นผลใช่ไหม ถ้ามันตรงกันข้ามก็คืออย่างนี้ความประพฤติทางกายาทางวาจาทางใจที่เป็นกุศลเป็นอย่างไรคืออย่างไหนก็คือการประพฤติทางกายทางวาจาทางใจท <key. ี่ไม่มีโทษและแบบไหนที่ไม่มีโทษก็คือการประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่ไม่บีบคั้นอะไรอะที่เรียกว่าพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่ไม่บีบคั้นก็คือมีสุขเป็นผลที่บอกมีสุขเป็นผลเป็นอย่างไร ก, การประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายการกระทําอย่างเนี้ยวินยูชนชื่นชมว่างั้นเถอะทีนี้ถ้าท่านเป็นอกุศลก็เบียดเบียนใช่ไหมถ้าเป็นกุศลก็เจริญยิ่งเกลียดเขามหาวพิษความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจอย่างนี้แหละที่สมณนะพราหมณ์หรือวินยูชนไม่พึงกล่าวเป็นโทษ คนอยากได้ไข้ติด แ, แล้วแค้นเคืองแล้วลุ่มหลงแล้วถ qui ูกราคาโทสะโมหะครอบงําแล้วก็มีจิตอันถูกบ่อนแล้วย่อมคิดการเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างคิดเพื่อเบียดเบียนคนอื่นบ้างคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างย่อมสวยทุกขโทมนัสเป็นทุกทางใจบ้างคะละราคาละโทสะละโมหะเสียได้แล้วเขาย่อมไม่คิดที่จะเบียดเบียนตนไม่คิดที่จะเบียดเบียนคนอื่น ไม่คิดที่จะเบียดเบียนทั้งสองไฟล์ไม่ต้องเสวยทุกธรรมนัตเป็นทุก์ทางใจคนอยากได้ไข้ติดแล้วแค้นเคืองแล้วรุ่มหลงแล้วย่อมประพฤติ ท, ทุจริตทางกายประพฤติทุจริตทางวาจาประพฤติ ท, ทุจริตทางใจคันละราคะละโทสะละโมห oh ะเสียได้แล้วเขาย่อมไม่ประพฤติ ท, ทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจคนอยากไข้ติดแล้วเนี่ย แค้นเคืองแล้วร่วมลงแล้วมีจิตถูกบ่อนแล้วย่อมไม่รู้ตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ตนไม่รู้ตามความเป็นจริงแม้ประโยชน์บุคคลอื่นไม่รู้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายใช่ไหมจริงไม่จริงแต่ถ้าใครละความกําหนัดละโทสะละโมหะได้แล้วก็จะรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งประโยชน์ตนประโยชน์บุคคลอื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายใช่ไหมบุคคลทํากรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนใจในภายหลังมีหน้าชุ่มโดยน้ําตาร้องไห้โศเอ๋ยผล กรรมที่ทํานั้นไม่ดีบุคคลทํากรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังมิจิตอิ่มเอิบดีสวยผลกรรมนั้นเป็นกรรมที่ดีคนทํากรรมใดไว้ย่อมเห็นกรรมนั้นในตนเองจริงไหมกรรมชั่วก็เหมือนน้ํานมรีดใหม่ๆย่อมไม่แปลเป็นผลในทันทีแต่กรรมชั่วย่อมตามตามอะไรย่อมตามเผารนคนพ่านเหมือนไฟที่ ที่เท่ามันปิดไว้ไฟฐานเน่ยมันถูกเทากบกัไว้บุคคลใดทำกรรมชั่วไว้แล้วกลับตัวได้หันมาทำกรรมดีปิดกัน้นบุคคลนั้นย่อนทำโลกนี้ให้แจ่มใสเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกจริงไหมจริงอย่างพวกเราก็เป็นกลุ่มนี้มาใช่ไหมตอนนี้เราหันกลับมาทาอะไรทากรรมดีทากุศลไว้ความดีที่ทำไว้เองเป็นมิตรติดตามตัวเราต่อไป บาพนหนบอกว่ า, า, นน ก, วากายยโสจริทธวจีทุจริทธมโนทจริทร ท, ร ท, ร ท, รที่กล่าวไว้ไม่ควรทำโดยส่วนเดียวนี้เมื่อผู้ใดกระทำก็พึงหวังโทษต่อไปนี้คือตอนเองก็กล่าวโทษตนเองได้วินยูชนผู้รู้ใคร่ควรแล้วก็ตีเตียนกิติจับสาบอันชั่วร้ายย่อมขจรไปตายแล้วก็หลงฟันเฟือนเมื่อกายแตกทำลายหลังารณะก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตโลกส่วนกายยุจริทล่ะ วจีสุจิริมโนสุจิริตที่เรากล่าวว่าควรทาโดยส่วนเดียวนี้เมื่อผู้ใดกระทาก็พึงหวังอันนี้สงต่อไปนี้คือตอนเองก็กล่าวโทษตนไม่ได้วินยูชนผู้รู้ก็ไข้ควรแล้วก็สารเสริญกิติศัพท์ดีงามก็ขจรไปตายแล้วก็ไม่หลงฟันเฟือนแต่กายทำลายถึงวรณนะแล้วเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ใช่ไหพระเจ้าก็เลยบอกภิกษุทั้งหลายจงละอกุศลเสียเถิดอกุศลเป็นสิ่งที่อาจละได้ หากอากุศลเป็นสิ่งที่ไม่อา จ, จะละได้แล้วไซส์เราคงไม่กล่าวอย่างนั้น <c oughs> จริงไหมโลกกดหลงเนี่ยละได้ไหมความไม่ดีทั้งหลายเนี่ยละได้หรือไม่ได้กายะทุจเิตวจีทุจริตมโนทุจริตละได้ไ้มได้หรือไม่ได้ถ้าละไม่ได้ พ, พระพุทธเจ้าก็คงไม่กล่าวอย่างนั้นใช่ไ้ย แต่เพราะอากุศลเป็นสิ่งที่อาจละได้เราจรึงกล่าวอย่างนั้นอันหนึ่งหากอากุศลเนี่ยนี้คนละเสียไรแล้วจะพึงเป็นไปเพื่อไม่ไม่ใช่ประโยชน์เกื้ อ, อกูลเพื่อความทุกข์แล้วไซส์เราคงไม่กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายจงละอากุศลเสียเถิดแต่เพราะอากุศลหรือบาปที่คนละได้แล้วใน ย, ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้ อ, อกูลเพื่อความสุขฉะนั้นเราจรึงกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงละอากุศลเสีย <laughs> เรายังสงสยัยไหมทาร่า ก, กุศลแล้วเราจะเราจะไม่มีสุขอันนี้เป็ น, นคำํำยืนยันนะแล้วก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายคําว่าภิกษุทั้งหลายเป็นการกล่าวประธานนาในนะนภิกษุเป็นประธานอุบาสกอุบาสิกาชื่อว่ากล่าวแล้วบางทีโอ้พระเจ้าสอนภิกษุเราลอดเนี่ยไม่เชื่คิดกันเลแม่งนะเข้าใจนะเธอจองฝึกอบรมกุศลเถิด กุศลเป็นสิ่งที่ฝึกอบรมได้ได้หรือไม่ได้ฝึกอบรมได้าาาญญา ก, กดายสุจส ร, ริตวิจีสุจริตมโนสุจริตฝึกอบรมได้ศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาก็ฝึกได้สมาธิติดจะถึงสมาสมาธิก็ฝึกอบรมได้ทําให้เกิดขึ้นเจริญขึ้นได้หากกุศลเป็นสิ่งที่ไม่อาจฝึกอบรมได้แล้วไซเราคงไม่กล่าวอย่างนั้น <c oughs> เออฝึกได้จริง แต่เพราะกุศลเป็นสิ่งที่อาจฝึกอบรมได้เราจึงกล่าวอย่างนั้นอันหนึง่งหากกุศลคนฝึกอบรมแล้วจะพึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แล้วไซส์เราคงไม่กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงฝึกอบรมกุศลเธอแต่เพราะกุศลนี้คนฝึกอบรมแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงฝึกอบรมกุศลเธอศีลกุทานกุศลต้องฝึกไหม ศีลกุศลภาวนาวกุศลต้องฝึกไหมถ้าฝึกอบรมแล้วได้ไหมได้พิสูจนทั้งหลายทำที่พึงละด้วยกายไม่ใช่ละด้วยวาจาก็มีทำที่พึงละด้วยวาจาไม่ใช่ละด้วยกายก็มีทำที่พึงละได้ไม่พึงละม่ใช่ด้วยกายด้วยวาจาต้องเห็นชัดตางด้วยปัญญาจึงละได้ก็มีใช่ไหมทีนี้ทำที่พึงละด้วยด้วยกายไม่ใช่ละด้วยวาจาเป็นอย่างไร เาเป็นยังไงพิสูุในพระทวนัยนี้เป็นผู้ถึงความละเมิดอันเป็นอกุศลบางส่วนด้วยกายเพื่อนเพื่อนพมจารีผู้เป็นวินยูไถ่ควรแล้วกล่าวกับเธออย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุถึงความละเมิดอันเป็นอกุศลบางส่วนด้วยกายจะเป็นการดีแท้ที่ท่านผู้มีอายุได้โปรดละกายยทุจริตจงบำเพ็ญกายสุดจริตเถิด อย่างพวกเราเนี่ยไปเห็นว่าไอค้คนคนนี้ยประพฤติละเมิดทางกายฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดในการเป็นต้นหรือใช้กายไปกระทําสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรเห็นไหมมีผู้รู้ทั้งหลายมากล่าวบอกว่าเธอจงละทุจริตทางกายเสียและจงเจริญสุจริตทางกายเมื่อถูกพมจิเพิ่นพมายารีเนี่ยวินยุชนไข่ควรกล่าวอยู่จึงละกายทุจริตบําเพ็ยกายยโสจริตอย่างนี้เรียกว่าทำที่พึงละด้วยกายไม่ใช่ละด้วยวาจา เรามีเยอะไหมที่ว่าเราจะต้องขัดเกลาวทั้งด้านทางกายมีไหมอะไรบ้าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำด้วยด้วยกายมีเยอะเลยนะแต่เราก็นั่งเฉยเราไม่เคยทำไม่เคยฝึกก็มีนะเพระะนั้นฝึกไหมต้องฝึกไหมไม่ใช่มองเฉย เ, ฉยเห็นอะไรเอ๊ะอันนี้จะเป็นการฝึกกายให้สุจริตวิจิสุจริต น, นี้เป็นต้นธรรมที่พึงละด้วยวาจาไม่ใช่ละด้วยกายเป็นเช่นไหนภิกษุในพระธรรมวินัยมิปนทึกถึงความละเมิดอันเป็นอกุศลบางส่วนด้วยด้วยวาจามีการพูดเท็จเป็นต้นเนี่ต่อมามีผู้รู้ไข ค, ควรแล้วก็กล่าวว่าท่านผู้มีอายุถึงความละเมิดอกุศลทางบางส่วนทางวาจาแล้วเป็นการดีแท้นะถ้าจะละวจีทุจริตพอได้ยินองนั้นปุ๊บกละ วจีทุจริตมาเจริญว่าจีสุจริตอย่างเนี้เขาเรียกว่าละด้วยวาจาไม่ละด้วยกายธรรมะที่พึงละด้วยไม่ใช่ทางกายไม่ใช่ทางวาจาแต่ต้องเห็นชัดด้วยปัญญาเป็นยังไงโลภความโลภความโกรธความหลงความโกรธความผูกโกรธความลบลู่ความยกตนกดเขาไว้ความตนีอันนี้ใช้กายละได้ไหมใช่วาจาละได้ไหมต้องเห็นชัดด้วยปัญญาถึงจะละได้ใช่ไหม ไอ้ลบกดหลงเนี่ยมันต้องเห็นชัดด้วยปัญญาไหมความตนีความลบหลู่ก็ดีการยกตนการขบขม่มคนกดคนอื่นไว้เป็นตัวหนอ่อเนี้ยต้องเห็นชัดด้วยปัญญาถึงจะระได้ใช่ไหมงั้นปัญญาที่ไปเห็นชัดเนะี่ยชีวราหรือยังชีวะะราเลยตรงเนี้ยทีนี้อย่างที่ได้บอกไว้ว่ากรรมในเวลามันให้ผลเนี่ยหนึ่งให้ระดับจิตใจ มันเป็นคุณสมบัติที่เป็นกุศลธรรมและวกุศลธรรมเนี่ยนะเป็นคุณภาพสมรรถภาพของจิตมีอิทธิพลปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิดความโน้มเอียงความนิยมความชอบความสุขความทุกข์เป็นต้นเนี่ยอย่างไรบ้างตรงพิจารณาฉะนั้นในขณะที่เรากระทําทุกวันเนี่ยทั้งสุจริตและทุจริตเนี่ยมันสั่งสมที่ใจเรียบร้อยหมดหรือยังเป็นคุณสมบัติไหมจิตที่มี โรคจิตที่มีโทษจิตที่มีของเสียจิตที่เป็นไปกับความทุกข์จิตที่ไม่เป็นปัญญาเนี่ยเกิดไม่วาระบาปเกิดขึ้นที่จิตใจให้ก่อนไหมแต่เป็นกุศลนหละจิตที่ไม่มีโทษจิตที่ไม่มีโรคจิตที่ไม่มีของเสียจิตที่เป็นไปกับความสุขจิตที่เป็นไปกับปัญญาในระดับจิตใจให้ทันทีไหมก็ให้ทันทีนี่ระดับจิตใจต่อมาก็ระดับบุคลิกภาพก็คือกรรมที่ให้เกิดผลในด้านการเสริอ สร้างเสริมนิสัยปรุงแต่งลักษณะความประพฤติแสดงออกมาท่าทีการวางตนปรับตัวการตอบสนองที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับคนอื่นทั้งหลายเลยนี่เป็นต้นอันนี้ระดับจิตใจไหมระดับที่สามก็คือระดับวิถีชีวิตของบุคคลเนี่ยเนี่ยแต่ละคนก็คือสมหวังผิดหวังได้ลาบเสริมลาบได้ยศเสริมยศมินทาสเสริญเป็นต้นอลไรเนี้ยนะเป็นโลกธรรมเนี่ยได้เกิดใช่ไหมนี่ผลที่เกิดขึ้นทางด้านบุคคลทางด้านสังคม ถ้าระดับต่อไปก็โอ้โหให้ผลทั้งสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมไปกว้างเลยเนี่ยพมมองเห็นใช่ไหมโดยส่วนใหญ่ทั้งที่ได้กล่าวเนี่ยคนมักจะไปเข้าใจว่าที่เคยยกภาษตบอกว่ายาที่สังวาปเตพีชังตาที่สังรัปเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปากาลียปาปาปังหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำดีทาดีได้ดีไหม ผู้ทำชั่วได้ไรได้ชั่วอันนี้เป็นเป็นพุทธพจน์นะพุทธเจ้ารับรองก็คือพระโพธิสัตว์พาษิท์ไว้พุทธเจ้ามาตรัดเล่าตัดเล่าแล้วก็รับรองทีหลังเพราะเป็นอย่างนั้นคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยกรรมเวลาจะให้ผลเนี่ยที่บอกว่าหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้น ผู้ทำดีก็ได้ดีผู้ทำชั่วก็ได้ชั่วทำดีปุ๊บได้ดีเลยไหมแต่ทำไมถึงพูดถึงหวานพืชปลูกมะม่วงเป็นไรมะขามก็เป็นมะขามขนุนเป็นขนุนทุเรียนก็เป็นทุเรียนเลยนะใช่ไหมแต่คนมันไปกลับเรื่องผลผิดพลาดไปปลูกมะปลูกมะม่วงผลผลิตมะม่วงดีความต้องการมะม่วงมากขายมะม่วงแล้วได้เงินเนี่มันเป็นเงี้ยขายมะม่วงมาเลย นคนก็ไปเข้าใจว่าปลูกมะม่วงแล้วได้เงินอันนี้ผลมันเพี้ยนไปหรือยังมันปลูกมะม่วงมันก็ต้องเป็นมะม่วงปีต่อมาปลูกกันใหญ่เลยผลผลิตล้นตลาดไม่ได้เรื่องเลยแต่เนี้ยผลปรากฏว่าพอปลูกมะม่วงปุ๊บก็ได้มะม่วงเหมือนเดิมเลยแต่ขายไม่ได้บอโอ้แย่จังปลูกมะม่วงทําดีไม่ได้มันก็กลายเป็นว่าฉันทําดีฉันต้องได้รับเสียงชม ต้งได้ลาบสกาละได้ยศได้สารเสริญยังไม่เราคิดอย่างนั้นใช่ไหมใช่ไหมมันก็เลยกลายว่าจริงๆทําดีที่บอกว่าผู้ทําดีได้ดีมันต้องได้ที่ไหนก่อนได้คุณภาพจิตที่ดีได้คุณภาพจิตที่ไม่มีโรคจิตที่ไม่มีของเสียจิตที่ไม่มีโทษจิตที่สะอาดเอี่ยมอ่องพองแผ้วจิตที่ตั้งมั่นจิตที่เป็นความสุขจิตที่เป็นไปกับปัญญามันเกิดในขณะทํำไหม เนี่ยทำดีได้ดีทดําดีคุณภาพจิตที่ดีก็เกิดขึ้นทําดีบุคลิกภาพที่ดีก็เกิดขึ้นทั้งนชัดไหมแต่ถ้าทําไม่ดีคุณภาพจิตที่เสียก็เกิดขึ้นจิตที่มีโทษจิตที่มีของเสียจิตที่ไม่สะอาดบุคลิกภาพที่ไม่ดีมันตามมาด้วยไหมแปลว่าจริงๆแล้วทาดีมันได้ดีจริงๆทําดีก็เป็นความดีทําดี สุขภาพจิตที่ดีก็เกิดขึ้นทําดีคุณบุคลิกภาพดีก็เกิดขึ้นทำเสียทำชั่วจิต ท, ที่เสียชั่วก็เกิดขึ้นบุคลิกภาพที่ไม่ดีบุคลิกภาพที่ไม่น่าปรารถนาก็เกิดขึ้นแปลมันได้มาเลยใช่ไหมแต่ส่วนว่าจะได้ลาบได้ยอดสุขสารเสริญหรือไม่เสื่อมลาบเสื่อมยอดนินทาผิดหวังหรือไม่อันนั้นมันเป็นระดับที่สเป็นระดับที่4ตามมาก็ว่ากันไปใช่ไหมเพราะ การที่กุศลจะให้ผลเนี่ยเขจะให้ดูองค์ประกอบสมบัติและวิบัติเข้าใจเคยได้ยินคําว่าสมบัติไหมสมบัติเขาแปลว่าข้อดีก็หมายถึงความเรียบพร้อมความสมบูรณ์แห่งองค์ประกอบต่างๆที่ช่วยเสริมส่งอํานวยผลให้ได้ให้กรรมดีนั้นปรากฏผลและไม่และไม่เปิดช่องให้กรรมชั่วแสดงผลพูดสั้นๆก็คือส่วนประกอบอํานวยส่งเสริมความดีอ่ะคืสมบัตินี่นะมีอยู่4อย่างหนึ่งคติสมบัติ อันนี้ป็นองค์ประกอบเลยนะคติสมบัติเนี่ยเขเรียกสมบัติแห่งคติถึงพร้อมด้วยคติคตกิก็คือเกิดในพพดีภูมิดีถิ่นดีประเทศที่จเจริญเหมาะเกื้อกูลตลอดจนระยะสั้นก็คือดําเนินชีวิตเป็นไปในถิ่นที่อํานวยมองเห็นไหมนี่คืคติสมบัติเช่นมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดอะไรก็แล้วแต่ในภูมิที่ดีในประเทศที่ดีในถิ่นที่ดีในสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่เป็นกลุ่มคติสมบัติหมดเลยนะ ไอต้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่ถ้าทำกุศลแล้วเนี่ยมันจะให้ผลได้เร็วใช่ไหมเพราะไปเกิดในถินดีภูมิดีแล้วก็ประเทศที่จเจริญเหมาะแล้วเกื้อกูลก็คือการดำเนินชีวิตในถินที่อํานวยเหมาะสมด้วยสองอุปธิสมบัติอุปธิเนี่ยสมบัติสมบัติแห่งร่างกายถึงพร้อมด้วยร่างกายคือรูปร่างเช่น รูปสวยร่างกายสง่างามหน้าตาท่าทางดีน่ารักหน้าหน้านิยมเลื่อมใสสุขภาพดีแข็งแรงวรเนี้นะนี่เป็นอุปธิอันนี้โอกาสกุศลให้ผลได้ดีไหมแบบเนี้ยก็เห็นคนคนที่เขาเกิดในตระกูลต่ำยิ่งแต่สวยมากแล้วต่อมาถูกคัดเลือกให้เป็นนางงามจากวากันนี่กุศลให้ผลดีนะใช่ไหล่ะ นี่เนี่ยเห็นไหมอุปธิพวกเราอุปธิดีไหมก็ไม่เบาเหมือนกันใช่ไหมดีหมัหยเอาสามการลสมบัติก็คือสมบัติแห่งการก็คือถึงพร้อมดยการในที่นี้คือเกิดอยู่ในสมัยที่บ้านเมืองมีความสงบสุขผู้ปกครองก็ดีคนมีศีลธรรมและผู้นำยกย่องคนดีด้วยไม่ส่งเสริมคนชั่วดวย ตลอดถึงระยะสั้นก็นคือทําอะไรก็ถูกการถูกเวลาถูกจังหวะเหมาะสมเ <c oughs> นี่เป็นการระสมบัติเป็นคนที่ฉลาดในการทําอะไรที่เหมาะแก่การนั้นๆหน้าหนาวทําอะไรหน้าร้อนทําอะไรหน้าฝนทําอะไรเนี่ยนะหรือว่าอยู่บนเขาทําอะไรอยู่ที่ราบทําอะไรเนี่ยอยู่สิ่งแวดล้อมนั้นทําอะไรนั่นคือทํามันเหมาะเหมาะแก่การนั้นมันเหมาะที่เป็นการละสมบัติเป็นคนที่ฉลาดในการมากกูสจะให้ผลไหม ให้ผลสิใช่ไหมหน้าหนาวขายอะไรถึงจะได้ผลโอ้เนี่ยทําอะไรถึงมันจะดีเนี้ยเนี่ยชื่อฉลาดในการมาอันนี้เป็นเหตุแห่งกุศลให้ผลนะประการที่สี่ก็คือประโยค่าสมบัติสมบัติแห่งการประกอบถึงพร้อมด้วยการประกอบกิจประโยค่าในประกอบกิจถึงพร้อมด้วยการประกอบกิจก็คือกิจการให้เช่นทําเรื่องตรงกับสิ่งที่เขาต้องการทํากิจ ตรงกับความถนัดความสามารถของตนอ๋อถนัดอะไรไม่เหมือนกันเนี่ ย, ยแต่ละคนเม้งถนัดอะไรสมัยเป็นคารวะนี่ถนัดขายของนายถนัดถ่ายรูปเยี้ยววีถนัดวาดยมรดาถนัดสอนญิวิยานนี่นะถ้านินก็ถนัดช่างไม้เงี้ยเนี่ยทําอะไรประกอบกับสิ่งที่ตนเองถนัดมันก็เป็นประโยค่าสมบัติเจอมั้ย เขาเรียกว่าสมบัติแห่งการประกอบถึงพร้อมในการประกอบกิจหรือกิ จ, ก, จการเช่นทําเรื่องตรงกับที่เขาต้องการด้วยบางทีก็ทําในสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการสิ่งนั้นไหมบางยกบางสมัยเนี่ยเราประโยคะสมบัติปุ๊บโอแล้วก็ผู้นําก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีเขาต้องการพอดีไอสิ่งที่เรารถนัดและสิ่งที่เราประกอบจเจริญมไหมล่ะกุศลให้ผลไหมเนี่ยกุศลมันจะให้ผลนั่นดีอ่ะทำกิจตรงกับความถนดัดความสามารถทําการถึงขนาดถูกหลัก ครบถ้วนตามเกณฑ์แล้วก็เต็มอัตราไม่ใช่ทํำครึ่งๆกลางๆหรือเหยาะแย่นะหรือไม่ถูกเรื่องกันเนี่ยรู้จักคิดรู้จักจัดทํารู้จักดําเนินการเนี่ยนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าสมบัติ4อย่างเนี่ยกุศลจะให้ผลคติสมบัติสมบัติแห่งคติถึงพร้อมโดยการเกิดที่ดีทิ่นดีอุปทิสมบัติสมบัติในส่วนแห่งร่างกายนะไม่พิกลพิการสมบูรณ์สวยงาม การรสมบัติเนี่ยถึงพร้อมได้การด้วยนะเกิดอยู่ในสมัยที่บ้านเมืองสงบสุขผู้ปกครองดีส่งเสริมคนเดียแล้วก็ประโยคะสมบัติก็คือสมบัติแห่งการประกอบกิจการก็คือหรือกิจการเช่นทําเรื่องตรงกับที่ตัวเองถนัดต้องการตามความสามารถที่ตรงกันข้ามเขาเรียกวิบัตเคยได้ยินไหมวิบัตเนี่ยก็แปลงง่ายๆก็คือข้อเสียหรือจุดอ่อนวิบัติเนี่ย หมายถึงความบกพร่องตรงนี้ต้องศึกษาเขาไว้เวลาเราทําอะไรมันจะได้กุศลจะให้ผลหรือบาปจะให้ผลมันอยู่ตรงนี้ข้อเสียข้อบกพร่องจุดอ่อนองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ยที่อํานวยที่ที่กรรมดีจะปรากฏผลไม่อํานวยให้กรรมดีปรากฏผลแต่จะเปิดช่องให้กรรมชั่วปรากฏผลส่วนประกอบข้อบกพร่องเปิดช่องให้กรรมชั่วส่งผลเป็นสี่ประการหนึ่งคติวิบัติ วิบัติแห่งคติก็คือคติเสียการเกิดในภูในภพในภูมิในถิน่นในประเทศในสภาพแวดล้อมที่ไม่เจริญไม่เหมาะไม่เกื้อกูลในทางดำเนินชีวิตถิ่นที่ไม่อำนวยอา้าไปอยู่ในถิ่นที่เขาต่อสู้กันบาปจะให้ผลมากเลยถิ่นที่คนทะเลาะกันใช่ไหมถิ่นที่คนเขาไม่ถูกกันไปเกิดในถิ่นที่ เอฝนฟ้าหรือว่ามันแห้งแรงมากเช่นเนี่ยไอไกรณีอย่างเงี้ยคติที่ไปเกิดทำหัวเสียหายมากเลยเนี่ยอข้าวยากหมากแพงอดอยากเนี่ยไปเกิดอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วก็ทนอยู่อย่างงั้นแหละบางคนก็ไปเกิดในถิ่นตรงไหนเขาฉันจะอยู่มันตรงนี้แหละฉันรักบาปจะให้ผลอย่างมากเลยเข้าใจยังฉันจะอยู่มันตรงนี้ฉันรักที่ตรงนี้ฉันไม่ย้ายถิ่นหรอกใครจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะ อีกเป็นคติอะไรคติวิบัติสองอุปธิวิบัติเนี่ยวิบัติแห่งร่างกายรูปร่างเสียเช่นร่างกายพิกลพิการอ่อนแอไม่สวยงามกิริยาท่าทางน่าเกลียดไม่ชวนชมตลอดถึงสุขภาพที่ไม่ดีเจ็บป่วยมีโรคมากกุศลจะให้ผลไหมเห็นหมเนี่ยอุปธิประการที่3กาลวิบัติ เกิดอยู่ในยุคสมัยที่บ้านเมืองเกิดภัยพิบัติไม่สงบไม่เรียบร้อยผู้ปกครองไม่ดีสังคมก็เสื่อมจากศาีลธรรมมากไปด้วยการเบียดเบียนแล้วแถมยกย่องคนชั่วด้วยบีบขั้นคนดีตลอดจนทำอะไรก็ไม่ถูกกาละไม่ถูกจังหวะเนี่ยเรามาอยู่ถึงนี้เราก็ไปทำผิดเช่นว่าเออไปเปิดร้านขายขนมเคก้ก <c> บ <oughs> นยอดเขาน่อันนี้เป็นการละวิบัติหรือการลเป็นเป็นการละวิบัติหรือการละสมบัติ เหมาะแองเหมาะไองเนี่ยแล้วคิดว่ากุศลไมนจะให้ผลไหมไมนจะขายดีขายดีไหมลองไปเปิดดูดิอย่างเงี้ยนะียแล้วอะไรดีแทนะอยู่บนนี้จะทําอะไรดีที่มันวิบัติง่ายๆทําอะไรดีือใช่ไหมมันผิดการเนะี่ยทําผิดการเอภิโยควิบัตนินี่วิบัติแห่งการประกอบหรือกิจการเสียเช่น ฝากไฟในกิจการเรื่องราวที่ผิดทํากิจการงานใดๆที่ตนเองไม่ถนัด <c oughs> บ่อยไหม <c oughs> นี่เล่าเห็นเลยใครชวนทําหมดแหละไม่ถนัดหรอกไม่ค่อยรู้ไม่เข้าใจใดแล้วเพราะประกอบกิจการที่มันผิดคือไม่ถนัดเลยแต่ทําตนเองไม่ได้มีความสามารถ ใช้ความเพียนในเรื่องที่ไม่ถูกต้องเคยเป็นไหมเช่นอะไร <laughs> ไปเลี้ยงควายบนภูเขาเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่สัตว์ภูเขานก็ตกมาตายดิแต่เนี้ยตกมาบาดเจ็บสิเขาเป็นสัตว์ทุ่งใช่ไหมล่ะลองแค่เห็นเขาเดินเราก็รู้แล้วเนี่ยเขาเก้ะๆกลังๆขนาดหนักเนี่ยโ อ, โอเอาละไปนี่เป็นอะไรประโยคนาวิบัติ <laughs> ใช้ความเพียนในเรื่องที Jonathan ่ไม่ถูกต้องทำครึ่งคึ่งกลางๆทําอะไรก็ท <permite S 1> <maybe> <M>. ําครึ่งคึ่งกลางๆทําเสร็จเลิกเลยคล้ายว่าพอทำไปทํามาเจอปัญหาเจออุปสรรคหน่อยทิ้งแล้วนี่เข้าใจหมดเลยนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแยกให้ดูนิดนักขนักข่าวจะเจาะรายละเอียดให้ดูเจาะไหมเจาะดูสักเรื่องไหมอันนี้พูดองค์ประกอบไว้ก่อนอายกตัวอย่างคู่ที่หนึ่งเช่นคติสมบัติเนี่ยเช่นเกิดอยู่ในถิ่นที่เจริญ มีการศึกษาดีสติปัญญาและความขยันเนี่ยไม่เท่าไหรหรอกเป็นเราไปเกิดในถิ่นที่เจริญมีการศึกษาดีสติปัญญาความขยันของเราก็ไปแต่ก็ยังศึกษาได้มากและเข้าถึงสถานะทางสังคมสูงกว่าคนอื่นซึ่งสติปัญญาและความขยันหมั่นเพียรที่ดีกว่าเนี่ยแต่ไปเกิดอยู่ในถิ่นป่าดงสมมุตินึงน เ, นเช่นไปเกิดใน ไปเกิดในถิ่นที่เป็นป่าเป็นดงบ้างหรืออย่างเช่นถ้าไปเกิดเป็นเทวดาถึงจะแย่อย่างไรก็สุขสบายนะไม่เดือดร้อนเนะียไม่อดอยากถ้ากติวิบัติเช่นมีพระพเจ้าอุบัติตรัสสอนธรรมะแต่ตัวเองไปเกิดในป่าในดงเสียไหมเพระพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแท้ๆแต่พระเจ้าอยู่มัธยมประเทศประเทศที่เจริญเนี่ยแต่เรามาเกิดเป็นคนป่าคนดอยเนี่ยเนี่ย ในวิบัติไหมเนี่ยเนี่ยก็หมดโอกาสในการฟังธรรมหรือมีสติปัญญาดีแต่ไปเกิดอยู่ในป่าในการละทวีปเนี่ยนะก็ไม่มีโอกาสได้เป็นนักปราชญ์หรือในการเป็นศินลปินหรือว่าและศาสตร์ทั้งหลายมีความรู้มีความสามารถดีแต่ไปอยู่ในถิน่นหรือในชุมชนที่เขาไม่เห็นคุณค่าความรู้ความสามารถเขาก็ใช้ไม่เป็นประโยชน์ถูกเหยียดหยามบีบคัน้นอยู่อย่างเดือดร้อนเป็นต้นเนี่ย มองเห็นไหมว่าคติที่ไปเกิดเนี่ยทั้งๆที่ถ้าเป็นคติสมบัติทั้งๆที่เกิดอยู่ในถิ่นที่เจริญมีการศึกษาดีทั้งที่มีสติปัญญาความขยันไม่เท่าไหรแ่แต่ก็ยังได้ศึกษามากกว่าเข้าถึงสถานะสังคมสูงกว่าแต่อีกคนหนึ่งอาจจะศึกษาดีกว่านี่แหละแต่ได้ไปอยู่อีกถิ่นหนึ่งใช่ไหมความรู้มากกว่าเลยกว่าเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า คติสมบัติกับคติวิบัติมันจะต่างกันจริงมนุษย์เบาปจะให้ผลต่างกันเลยทั้งๆที่อยู่ในคติสมบัตินี่แหละอีกคนนึงไปอยู่ในคติวิบัติเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ผลได้ไม่เท่ากันศึกษาอาจจะมากกว่าก็ได้ความขยันก็มากกว่าอะไรต่างๆก็มากกว่าแต่ไม่ได้เพราะไปอยู่ในถิ่นในภูมิมิประเทศหรือในสถานที่ที่บาปมันให้ผลอคู่ที่สองอุปธิเช่น รูปสวยน่ารักน่าชมไปเกิดในตระกูลยากไร่หรือถินห่างไกลรูปร่างกายช่วยมีฐานะสูงและถินที่มีเกียรติยศและความสุขอุปธิวิบัติเช่นเกิดในถินหรือในตระกูลที่มั่งคั่งสมบูรณ์แต่พิการง่อยเป็นใบไปเกิดในตระกูลสูงแต่เป็นคนปัญญาอ่อน ดูที่นี่โอกาสที่กุศลจะให้ผลได้ไหมไม่ได้เลยปัญญาอ่อนจะแล้วนี่ก็วิ่งเล่นไปดูสิเนี่ยทั้งๆ ท, ที่อุปธินยถ้าอุปธิสมบัติเนี่ยโอเคเลยนะโอเคอะไรดีเลยได้ดีอุปธิสมบัติลงลางงานถึงแม้ไปเกิดในถิ่นที่ไม่ดีไปเกิดในมันช่วยได้ แต่บางคนก็ช่วยไม่ได้ก็แล้วแต่นะแต่โอกาสถูกช่วยได้นะดีแต่บางคนเนี่ยโอปปะทิวิบัติแต่เกิดในถิ่นที่ดีหมดสิทธิไหมไหมนี่จะได้เป็นได้รับเป็นทายาทเป็นเศรษฐีสืบต่อเนะี่อะไรสืบต่อไปไม่เป็นเลย น, ะนั้นคนที่รูปร่างร่างกายเป็นคุณสมบัติก็เป็นธรรมดาของคนทั่ ว, วไปเนะี่ยรูปทิวิบัติเนี่ยในส่วนจริงก็กุศลนั้นก็จะไม่ให้ผลอย่างนี้เป็นต้น อคู่ที่สามการและสมบัติเช่นเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตทำสิ่งที่ดีงานและมาเกิดอยู่ในยุคที่ผู้ปกครองดีสังคมดียกย่องเชิดชูคนดีคนเนี้ยจะเจริญไม้มเจริญบ้านเมืองสงบสุขผู้มีสติปัญญาเป็นนักปราดกก็มีโอกาสที่จะแสดงความรู้ความสามารถเขาเติได้เต็มที่และใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ด้วยหรือในยุคสมัยหนึ่งคนนิยมกราบกร น, นี่นะกันมาก โอ้ยคนเก่งกาบก่อนนี่เพื่องปูเลยใช่ไหมเพื่องปูมากทกรระวิบัติตรงกระทามเช่นในสังคมยามเสื่อมจากศีลธรรมเนี่ยผู้ปกครองไม่ประกอบด้วยธรรมะคนทําดีได้รับยกย่องไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพระผิดการไงไปทําทํายังไงก็ผิดการคนก็ไปน้อยใจว่าทําไมเราทําดีไม่ได้ดีบางยุคบางสมัยเนี่ยคนที่เก่งกาจก่อนโดนเดรเทศยังมีเลยประวัติศาสตร์ไม่มีบ้านจะอยู่เนี่แหละ ดี่เป็นอย่างนี้เอาคู่สุดท้ายประโยคะสมบัติเช่นตนไม่ใช่คนดีมีความสามารถจริงแต่รู้จักเข้าหาคนที่ควรเข้าหารู้จักหลบเลี่ยงคนที่ควรหลบเลี่ยงอะไรควรเสียยอมเสียทําให้ตนเจริญก้าวหน้าไปได้และความเสียหายบกพร่องของตนเองไม่ปรากฏ หรือมีความสามารถในการปลอมแปลงเอกสารแต่เอาความสามารถนะั้นมาใช้มาใช้ในทางที่ดีเช่นในการพิสูจน์หลักฐานใช่ไหมทางด้านประโยควิบัตเป็นยไงมีความรู้ความสามารถคุณสมบัติดีหมดแต่ติดการพ น, นันติดการพ น, นันไม่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทางานหรือมีฝีเท้ารวดเร็วมาก เป็นนักกีตาชั้นเลิศแต่เอาไปวิ่งลาวก็สนิท <c oughs> นี่ไปประกอบผิดเลเพียนผิดไหมโอ้เนี่แม่มีฝีมือดีดันจะเป น, น่าจะไปทาเรื่องทาให้ถูกต้องดันไปทําผิดตัวนี้อาศัยการวิ่งเร็วนี่แหละเ <c oughs> นี่ยผลในระดับทั้งสามเนี่ยส่วนมากก็คือเรื่องของโลกธรรมเห็นไหมว่ามันมีองค์ประกอบว่าสมบัติและวิบัติองค์ประกอบตรงนี้คติอุปธิ กาะละแล้วก็ปรปโยคะสามเรื่องอเอาใครมาเนี่ยนะเป็นอย่างเนี้ยนะมองเห็นหรือยังพอจะจับประเด็นออกไหมว่าบาปให้ผลบุญให้ผลเนี่ยมันนี้ต้องมีองค์ประกอบใช่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าโอ้โหเราทำดีแทบตายเลยแต่ไปทำดีในกลุ่มคนที่ เขาไม่ได้ยกย่องคนดีใดๆเนี่ยตรงเนี้พอจะพอจะมองออกไหมเดี๋ยวดูในพระสูตรหนึ่งในจุลกัมมวิพังกสูตรนี่โดยย่อๆดีกว่าในนิยามดูก่อนมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นที่กําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่าจําแนกสัตว์ทั้งหลายให้สามและประณีตสก็คือให้ไม่ดีประณีตก็คือดีนี่นะสตรีหรือบุรุษมักทำปานาติบาตเป็นคนเฮี้ยมโหดหมกมุ่นในการประหัดประหารไร้เมตตาการุณโดยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปแล้วก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกหรือมิฉะนั้นหากมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดในตระกูลใดในภายหลังจะเป็นคนมีอายุสัน้น อันนี้มาจากอะไรนั้นถ้าทากรรมเกี่ยวกับเรื่องของปานาติบาตเขี่ยมโหดหมกมุลในการประหารประหารมีจิตใจอาฆาตพยาบาทกรรมนี้ถ้าให้ผลอบายทุกติวิบารนรกนะแต่ถ้าเป็นมนุษย์หรือถ้าให้ในปัจจุบันนี้ถ้ายังไม่ได้ไปเป็นสัตว์นรกนะจะเป็นมนุษย์ในอาณภาพใดในที่ใดจะเป็นคนที่อายุสัน้นเห็นชัดไหมสตรีหรือบุรุษผู้ละปานาติบาต มีเมตตาการุณมักเกื้อกูลแกสรพสัพต์ด้วยกรรมนั้นถึงซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมก็คือถึงที่แล้วเนี่ยตายไปแล้วก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นถ้าเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมียยุยืนอันนี้สุภาพมานบถามพระเจ้าเนเขี้แห่งอายุสั้นกับเหีแห่งอายุยืนเพราะอะไรมองเห็นหรือยังตอนนี้ปฏิบาติ เป็นต้นพยาบาทเป็นต้นคิดอาฆาตพยาบาทคิดให้ทำลายก็เป็นต้นเนี่ยอันนี้จะเป็นเหตุแห่งอายุสั้นตรงกันข้ามเมตตาการุณทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นถ้าปฏิบัติให้ถึงพร้อมถึงที่แล้วเนี่ยสั่งสมจัดเจนแล้วเนี่ยจะเป็นเหตุแห่งอายุยืนในสองข้อนี้พวกเรามีอัธยาศัยตรงไหนใครเป็นผู้ทำปานาติบาติมาเยอะมีไหมทํำไหมมีใจิตใจเหี้ยมโหดไหม งั้นเราก็ปลอดภัยเลยสิแบนี้งั้นอย่างเราก็ต้องายุยืนใช่ไหมใช่ไหมเอาข้อที่2 ส, สตรีหรือบุตรมีนิสยัยชอบเบียดเบียนทําร้ายสัตว์ทั้งหลายด้วยมือด้วยไม้ด้วย ส, ยวยสตราชอบไหมเบียดเบียนเขาหักปีกเขาเด็ดหางเขาเอ้ยคือมันรู้สึกมันสนุกถ้าชอบเบียดเบียนเขาได้อะไรได้ทุบๆเขาบ้างอะไรบ้างไม่ให้ก็ตายหรอ เอาไปขังบ้างอะไรบ้างเนี่ยเคยไหมจับแมวขังสุนัขขังอะไรนั่นมรู้สึกมันมีความสุขกับการได้ขังขังเขาไวยเอาปลาไป ข, ขังเขาไว้อะไรไปขังเนี่ยชอบไหมแบบเนี้ยด้วยมือด้วยสตราด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพังพร้อมถึงที่แล้วตายไปแล้วย่ําเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตในโลกนะหากมาสู่ความเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีโรคมากคือขี้โรค ต่อมาคือว่าสตรีหรือบุรุษไม่ชอบเบียดเบียนไม่มีนิสัยชอบเบียดเบียนทําร้ายสัตว์ทั้งหลายด้วยกรรมนั้นถึงทีง่ปฏิบัติพังพร้อมถึงที่แล้วตายไปแล้วเขาถึงสุขติโลกสวรรค์หรือมิเช่นั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆจะเป็นคนมีโรคน้อยมีสุขภาพดีในข้อนี้เป็นยังไงอัตยาสายพวกเราชอบเบียดเบียนสัตว์ไหมเม้งไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ชอบเลยใช่ไหมเบียดเบียน ด, ด้วยใจอ่ะ คิดทำร้ายเขามีไหมคิดให้เขาป่วยคิดให้เขาวิบัติคิดไหมมีเรื่องเมตตาคนตลอดเลย <c oughs> อ่ะต่อมาสตรีหรือบุรุษผู้เป็นคนมักโกรธเข้าใจคำว่ามักโกรธไหมหงุดหงิดง่งายอะ่ะเครียดแค้นง่ายใครว่ากล่าวนิดหน่อยก็ขัดใจพุกพ่าน พยาบาทแสดงความขึงเครียดให้ปรากฏเป็นไหมขอนี้งดงิดง่ายซึ่งถือปฏิบัติพังพร้อมถึงที่แล้วตายไปแล้วเนี่ยถึงอบายทุกขติวิธาบาตในรลกหรือมิเช่นั้นถ้ามาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีผิวพรรณซามไม่สวยไม่งามอ่ะอย่าพวกเราคิดว่าเป็นคนสวยไหมสวยไหมแมงถือว่าตนเองเป็นคนผิวดีไห ถ้า ง, งั้นก็ชัดเลยนะไม่ต้องอธิบายต่อนีะเป็นคนไม่มักโกรธสตรีหรือบุรุษไม่มักโกรธด้วยกรรมนั้นถึ่งถือปฏิบัติพังพร้อมถึงที่แล้วตายไปแล้วก็ถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหนะ้าที่ใดาภายหลังจะเป็นคนที่น่าเลื่อมใสมีรูปร่างท่าทางชวนใจให้นิยมเห็นแล้วมันรู้สึกอยากมองบ่อยๆอยากมองบ่อยๆคิดว่าหน้าตาเราเนี่ยมีคนมองแล้วอยากจะมองอีกไหม <c oughs> นั้นชัดแลยนะ้ยถ้งนั้นเอาต่อไปอีกข้อหนึง่ง สตรีข้อที่สี่นะสตรีคู่ที่สี่สตรีหรือบุรุษผู้มีใจริสยาเข้าใจคำว่าริสยาไหมลิสยาคืออะไรเห็นเขาท่องหนังสือได้กว่าได้มากกว่าก็ขัดเคืองน้อยใจเขารูปร่างหน้าตาดีกว่าความสามารถเขามากกว่าอยาะไรนะเขาเฉลีฉลาดมากกว่า หน้าตาเขาสวยกว่าผิวเขาดีกว่าฐานะการเงินเขาดีกว่าอะไรมันดีกว่าเราเนี่ยนะมันรู้สึกขัดเคืองมันเป็นไหมนินไม่เป็นเลยนะข้อนี้นะแต่คอยดูที่ไม่คนคนอื่นได้ลาบได้รับความเคารพนับถือกราบไหว้บูชาก็ไม่สบายใจนี่ทาไมทำไมต้องยอกยอกคนเนี้ยทนไม่ได้ คือทนทนเห็นไม่ค่อยได้เป็นไหมอาการแบบนี้ไม่เป็นเลยเลยด้วยกรรมนั้นถึง ถ, ถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปแล้วก็ถึงอบายทุกติวิบัติในรกหรือมิฉะนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดนาที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีศักดินาน้อยต่ำต้อยด้วยอำนาจเป็นคนไม่มีอำนาจชัดเลยเนี่ยที่มาเกิดมาต่าต้อยไม่มีอำนาจเนี่ยใช่ไม สตีหรือบุตรไม่มีใจริษยาด้วยกรรมนั้นถึงปฏิบัติพังพร้อมถึงที่แล้วตายไปแล้วเขาถึงสุคติโลกสวรรค์มาสู่ความเป็นมนุษย์เกิดที่ใดก็มีศักดิ์มีเดชมากนะคู่ที่5สตรีหรือบุรุษผู้ไม่บำเพ็ญทานไม่ให้ข้าวไม่ให้น้ําผ้านุ่งห่มเป็นต้นของกินของเคี้ยวของมือที่กทั้งหลายด้วยกรรมนั้นถือปฏิบัติพังพร้อมถึงที่แล้วตายไปแล้วเขาถึงสบายได้ในะพวกตนีเนี่ย ทุกคติวินบาตในโลกนกลนะเจรณะเสียบหากมาสู่ความเป็นมนุษย์เกิดในะที่ใดภายหลังก็เป็นคนมีโพค้าน้อยนินเกิดมามีโพค้าน้อยไหมยาละดาน้ยไหมโพค้าน้อยหรือมากที่ดินมีมากไหมนั่นแหละเรียกน้อยบ้าน ซับอะไรทั้งหลายเลยเนี้ยนะพอค่าในโกนพกระซับทั้งหลายอะ่ะของกินใช่ไหมข้าวอาหารของกินของเที้ยวของบริโภคของอะไรทั้งหลายเลยเนี่ยมีน้อยหรือมีมากเกินไหมเนี่ยมี <c oughs> <c oughs> พอสมควรนะไม่น้อยอ๋อไม่น้อยในน้อยหรือมากน้อยนะยเม้งอนน้อยหรือมากจะไปน้อยเลยเนี่ยมาจากตรงไหนเนี่ย เอมาสู่ความเป็นมนุษย์ก็จะมีโพคะน้อยโพกษะทรัพย์น้อยมีน้อยน้อยก็คือต้องการเทียบเนะนต้องเทียบกับใครด้วยเนะี่ยแต่แต่ส่วนมากเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันน้อยใช่ไหมเพราะ้ะเทียบกับคนที่เขามากเนี่ยมันเหมือนไม้สัน้นไม้ยาวเลยเอาคืบหนึ่งไปเทียบกับศอกเอาศอกไปเทียบกับวาเอาวาไปเทียบกับสองวาเนี่มันต้องเทียบกันคำว่าน้อยเนี่ยก็ต้องดูอนี้ว่าน้อยหรือ ม, มากถ้ามันไม่น้อยเนี่ยแปลว่ามันไม่เดือดร้อนเนี่ย สตีหรือบุตผู้บำเพ็ญทานให้ปันข้าวน้ำผ้านุ่งผ้าหม่มไอ้เจ้าเดี๋ยนี้ตามลำดับถือปฏิบัติปั้งพร้อมถึงที่แล้วตายไปแล้วก็ถึงสุคติโลกสวรรค์ด้วยนะหางมาสู่ความเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดภายหลังก็จะเป็นคนมีพอค่ามากยังมีมีพอค่ามากไหมเลยเนี่ยอันนี้เรียกว่าทาน ก, ศกุศลเขาทํามาดีไม่ต้องเดื่อหรอไม่ต้องทํามาให้กินก็อยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้ตลอดชีวิตไหมเนี่ยอย่าง อย่างนิ่นเนี่ยถ้าไม่ทำาหากินจะอยู่ได้ไหมไม่ได้เลยเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ได้เลยไหม ย, ยอมละาดา้ยังพอไหวใช่ไหมเนี่ยอยู่เนี่ยอ้นนี้พอได้พออยู่ได้เลี้ยงอัตภาพได้นี่ข้อที่ห้าสรุปแล้วข้อนี้ถ้าใครตัวไหนมันมากมันน้อยก็ไปเติมกันเองนะอย่าให้เดือดร้อนนะถ้ายังไม่พ้นทุกเนี่ยถ้า่งนั้นเดี๋ยวจะมีปัญหากับชีวิต กว่าจะพ้นทุกข์ได้หนึ่งมัวธมากินอายุเจ็สิบแปดสบยังหากินตลอดเลยเนี่ยุ่งเลยนะชีวิตเนี่ยจะเจริญกุศลตรงไห น, นใช่ไหมจะรันะน้อยก็ลำบากเพราะคู่ที่หกสตรีหรือบุุษบางคนเป็นคนแข็งกระด้างเย่อหยิ่งชอบดูถูกคนไม่เคารพนับถือกราบไหว้แสดงความเอือเ้อเฟื้อแก่ผู้ที่สมควรได้รับการปฏิบัติเช่นนั้นด้วยกายกรรมนะั้นซึงปฏิบัติถึงที่ถึงพร้อมแล้วเนี่ย ตายไปแล้วก็ถึงอบายทุกติวิบถีในรกเลยในะคนเยื่ยยิงแข้งกระด้างนนะี่ยทางมาสู่ความเป็นมนุษย์เกิดในะที่ใดภายหลังเป็นคนเกิดในตระกูลตำ่ำอา้าวใครว่าเกิดตระกูลตำ่ำหรือตระกูลสูงตำ่ำไม่สูงมันจะขึ้นลงขึ้นล ง, ล ง, ลงอย่างเงี้ยอย่างนางพระนางอุปรีเนะี่ยเป็นพระมเหสีพอเป็นคนมีมานะที่ตีมากริศยามากลงอบายทุกติก่อนอย่ามาเกิดเป็นมนุษย์อยีกนั่นนะจเป็นมนุษย์จะเกิดในตระกูลทาสีเลยเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยกรรมเนี่ย ขอทานเลยตนนี้มันเกิดเป็ขอทานเลยว่างั้นคนรับใช้เนีย่ยจะเกิดในตระกูลต่ำํำจะเป็นอย่างเงี้ยกรรมเป็นอย่างเงี้ยสติรูปดุลเป็นคนไม่แข็งกระด้างและคนอ่อนโยนกับได้ดีเนี่ยไม่เย่อยิงสแสดงความเคารพนับถือกราบไหว้เอื้อเฟื้อแก่ผู้สมควรในการกราบไหว้ด้วยกรรมนั้นปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปแล้วก็ถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นไปสู่ความเป็นมนุษย์จะเกิดหน้าที่ใดภายหลังเกิดในตระกูลสูงไม่เกิดแต่ระกูลสูงตระกูลต่ำ กลางกลางๆนะตอนนี้ต้องอย่าให้มีความแข็งกระด้างเกิดขึ้นนะให้คนอ่อนน้อมอ่อนน้อมต่อผู้ควรอ่อนน้อมนะคู่ที่7ผคู่สุดท้ายมี14ข้อมีปัญหานี้สตีหรือบุุษผู้ไม่เข้าไปสอบถามสมณะหรือพรามว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรปฏิบัติอะไรไม่ควรปฏิบัติ อะไรเมื่อทําแล้วจะเป็นไปเพื่อทุกอะไรเมื่อทําแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์อะไรเป็นกุศลอกุศลเป็นต้นเนี่ยด้วยกรรมนั้นซึ่งถือปฏิบัติพรั่งพร้อมถึงที่แล้วตายไปแล้วก็ถึงอาบายทุกขติวิบัตินโกเนี่ย้นคนไม่ชอบสอบถามเนี่ยหากว่าเกิดเป็นมนุษย์เกิดนะที่ใดาภายหลังจะเป็นคนสามปัญญาแปลว่าอาดีต เ, เราเป็นคนประเภทไหนชอบถามไหม ชอบไปแยกแย่งไหมอะไรเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลอกุศลอะไรควรทําไม่ควรทําอะไรปฏิบัติถึงที่แล้วนี่มีโทษหรือมีเคยไปถามรายละเอียดพวกนี้ไหมโอต้องรีบถามเลยต่อไปนข้อสุดท้ายสตีหรือบุตรบางคนเนี่ยชอบชอบสอบถามผู้รู้เนี่ยมีสมณะเป็นต้นอะไรดีอะไรชั่วเป็นต้นด้วยกรรมนั้นปฏิบัติพางพร้อมถึงที่แล้วตายไปแล้วก็ถึงสุคติโลกสวรรค์หรือมิฉะนั้นไปสู่ความเป็นมนุษ เกิดมาในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญามากจะเห็นว่าในสูตรนี้แม้จะกล่าวถึงผลที่ประสบในชีวิตข้างหน้าแต่ก็เน้นที่การกระทําในปัจจุบันโดยเฉพาะการกระทําที่มีลักษณะแห่งความเป็นการประพฤติอย่างเป็นประจําในการดําเนินชีวิตชนิดที่จะต้องสร้างคุณภาพของจิตใจปรุงแต่งลักษณะนิสัยบุคลิกภาพเนี่ยและเป็นปัจจัยโดยตรงแก่ผลจำเพาะแต่ละอย่างไม่ใช่เป็นอริสงค์ เพอชนิดที่ว่าทำดีทำกรรมดีอะไรครั้งเดียวเช่นให้ทานครั้งหนึ่งแล้วก็มีผลมากมายไ ม, ไม่ไม่มีขอบเขตไม่ใช่อย่างนั้นเป็นการบอกว่าปฏิบัติพังพร้อมถึงที่แล้วไม่ใช่ทำครั้งเดียวปุ๊บหมดไม่ต้องทำอีกเลยเดี๋ยวผลตลอดไปเลยเข้าใจนะแปลว่าจะต้องทำติดต่อและต่อเนื่องทำเป็นอัตยาศัยเลยอัตยาศัยเนี่ย เช่มีอัธยาศัยชอบฆ่าหรืออัธยาศัยมีใจกรุณาเนี่ยก็สั่งสมอย่างเงี้ยเนี่ยมีอัธยาศัยเบียดเบียนหรือมีอัธยาศัยมีใจกรุณาเป็นต้นเหล่านี้มีอัธยาศัยในการที่มักโกรธหรือมีอัธยาศัยเมตตามีอัธยาศัยเย่อหยิ่งหรือมีอัธยาศัยในการอ่อนโยนมีอัธยาศัยให้ทานหรืออัธยาศัยตณีมีอัธยาศัยชอบสอบถามอยู่เป็นนิด แยกแยบบุญบาปเป็นต้นหรือมีอัธยาศัยไม่ชอบถามเนี่ยมันจะมีผลในลักษณะแบบนี้ทีนี้ในการทํากรรมเนี่ยเช่นการให้ทานครั้งหนึ่งเนี่ยมีผลมากมายไม่มีขอบเขตเนี่ยจะหวังอะไรเป็นอะไรปรารถนาได้แล้วก็เป็นอย่างนั้นทั้งหมดซึ่งถ้านเน้นน้กก็คือก็จะทำให้คนเนี่ยมุ่งแต่ะทําทำบุญกรรมก็เหมือนคล้ายๆเหมือนแบบแบบฝากเงินในธนาคารเฉยๆ ไว้ไปรอรับดอกเบีย้ยเนี่ยเราไปคิดอย่างนั้นหรือแบบคนอะไรเลซื้อลอตเตอรี่ลงทุนที่หนึ่งก็หวังผลกำไรมหาศาลแล้วเลยไม่ใส่กลกรรมชนิดที่เป็นความประพฤติปฏิบัติทั่วไปการดำเนินชีวิตประจำวันเลยเลยไม่ค่อยนคนมักจะไปเข้าใจอย่างนั้นใช่ไหมไปเข้าใจว่าทำครั้งเดียวพอเช่นว่าโอ้โหปีนี้ เราได้ทอดกะถินหรื อ, อยังแล้วก็ไปทอดกะถินครั้งเดียวแล้วก็พอแล้วตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยสนใจกรรมอะไรเลยเนี่ยเคยเห็นคนประเภทนี้เยอะไหมเนี่ยเราไปเข้าใจอย่างนั้นมองพอเริ่มจะมองเห็นอย่างว่าจริงๆต้องทำต่อเนื่องไหมทั้งกุศลไกุศลทั้งหลายเลยนเนี่ยผลมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ตามประักพุทธพจน์ ท, ที่บอกว่า พออวิชาเป็นปัจจัยบุคคลจึงปรุงแต่งกายะสังขารวจีสังขารมโนสังขารเป็นต้นเหล่านี้นะเพราะความไม่รู้นี่แหละได้กล่าวไว้หลายครั้งนะว่าปบเพกตาเหตุวาท้าอิสระนิมานวาท้ากะเหตุกาวาทะท้าไอเชื่อเชื่ อ, อยางผิดหลักกรรมใช่ไหมเคยกล่าวไว้แล้ว ปเกเพกะแต่เฮตุวาท่าก็คือการถือว่าสุขทุกข์ทั้งปวงเป็นกรรมเก่าที่เราได้รับหรืออิสระนิมานนาวาท่าสุขทุกข์ก็เป็นเพราะว่าการดลบันดาลของผู้เป็นใหญ่มิเทปเจ้าเป็นต้นหรือพระอิศวรเป็นต้นไอ้เฮตุกาวาท่าก็คือสุขทุกข์เนี่ยแล้วแต่โชคชะตาหรือดวงดาวเป็นต้นเหล่าเนี้ยฉะนั้นพระเจ้าบอกกับพิสูจ์ทั้งหลายลทัทธิเดรถีสามระบบเนี้ยถูกบัณฑิตไต่ถามซักไซกไล่เลียงเข้าก็ ย่อมอ้างถึงการสืบสืบกันมายืนกรานอยู่ในหลักของอิริยาการไม่กระทำก็คือสมณาาพราหมณ์บางพวกเนี่ยมีวาทะมีทิฏฐิว่าสุขทุกข์สุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่คนเราได้เสวยทั้งหมดล้วนแต่เป็นกรรมที่กระทำไว้แล้วในปางก่อนนี่กลุ่มหนึ่งเราเป็นกลุ่มนี้ไหมแต่ก่อนเป็นไหมโทษกรรมในอดีตสองสมณพราหมณ์บางพวกมีวัฒนมีทิฏฐิว่า สุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งคนเราได้เสวยทั้งหมดล้วนมาเพราะการโดนบันดาลของผู้เป็นเจ้าอิสระนิมาณวัฒน์สมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทนมีทิฏฐิว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยที่คนเราได้เสวยทั้งหมดล้วนมาหาเหตุปัจจัยไม่ได้พระเจ้าบอกภิกษุ ท, ทั้งหลายบรรดาสมณพราหม์เหล่า น, นั้นเราเข้าไปหาพวกที่หนึ่งแล้วก็ถามว่าทราบว่าท่านทั้งหลายมีทิฏฐิมีวาทะ อย่างนี้จริงหรือสําน้าพาหเหล่า น, นั้นก็บอกถูกเราถามอย่างนั้นแล้วก็รับว่าจริงเราก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็จะเป็นผู้ทําปานาติบาศเพราะกรรมที่ทําไว้ในปางก่อนเป็นเหตุทิที่ทำปานาติบาศอยู่เพราะว่ากรรมเก่าในอดีตใช่ไหมส่งผลอยู่ทำอธินาทานก็เพราะกรรมที่ทําไว้ในปางก่อนประพฤติผิดพรหมาจารย์ก็มุสาวาตปิสุนาวาจาพรุทธสวัจจาสรสำภะบลาปะ ความโลภความโกรธเป็นมิจฉาทิถีที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะกรรมในอดีตใช่ไหมพิกตัวทั้งหลายเมื่อบุคคลเนี่ยยึดถือกรรมที่ทําไว้ในปางก่อนเป็นสาระเป็นแก่นสารฉันทะเกิดไหมฉันทะในปัจจุบันก็ไม่เกิดความเพียรพยายามก็ไม่เกิดว่าสิ่งที่ควรทําสิ่งที่ไม่ควรก็ย่อมไม่มีเมื่อไม่กําหนดถือเอาสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําโดยจริงจังมั่นคงดังนี้สมณพานพวกนี้ก็ทํา ก็เท่ากับอยู่อย่างหลงสติอยู่อย่างหลงสติไร้เครื่องรักษาแล้วก็จะมีสมณวาทะที่ชอบทาเฉพาะตนไม่ได้นี่แหละเป็นนิหาอันชอบทาอย่างแรกต่อสมณพราหมณ์ผู้มีวาทมีทิฏฐิอย่างนี้ไร้สาระเลย อ, ะนะอยู่อย่างไร้สติจริงไหมอยู่อย่างหลงเลื่อนลอยยกผลกรรมทั้งหลายเหล่านี้ ที่ได้รับทั้งหลายโยนให้อดีตตัวเองก็อยู่ในปัจจุบันแบบหลงสติไปวันๆไม่มีเครื่องรักษาไม่เชื่อฉันท่านในปัจจุบันไม่เชื่อความเพียรในปัจจุบันไม่เชื่อปัญญาในปัจจุบันไม่เชื่อการแก้ไขในปัจจุบันอยู่อย่างหลงไหมอยู่อย่างไรหลักการเลยเนี่ยแต่ก่อนเป็นไหมแบบนี้ไม่ถึงขนาดนี้หรือเป็นข้อที่สองภิกษุทั้งหลายบรรดาสำนนภาพเหล่าใดเราก็เข้าไปหาด้วยคือพวกที่สอง ท่านจะเป็นผู้ทําปาณาธิบาตบอกว่าที่ไปฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดในการพูดเทศส่อเสียดคําหยาเพื่อเจร์เนี่ยโลภโกรธและมิฉาทิฏฐิแสดงว่ามีคนดนบันดาลให้ท่านทำใช่ไหมเพราะเป็นเพราะเทพเจ้าเนี่ยดนบันดาลเนี่ยเมื่อบุคคลมายึดถือการบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าเป็นสาระฉันทะก็ไม่เชื่อฉันทะในปัจจุบันไม่เชื่อความเพียรพยายามในปัจจุบัน ว่าสิ่งนี้ควรทาสิ่งนี้ไม่ควรทําเป็นต้นพวกนี้ก็อยู่อย่างหลงสติเองเหมือนกันอยู่อย่างหลงสติไร้เขาเรียกว่าไม่มีเครื่องรักษาอยู่อย่างเลื่อนรอยใช่ไหมอยู่อย่างเลื่อนลอยอะไรกันรู้สุขทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ยบุญบาปทั้งหลายเหล่าเนี้ยโทษพระอิสวรเทพเจ้าหรือเทพเจ้านี่เป็นเป็นผู้ดลบันดานลกลุ่มที่สามเป็นยังไง สมณพราหมณ์เราเข้าไปหาพวกที่สามท่านเป็นผู้ทําปาณาฏิบาตเป็นต้นเพราะไม่มีเหตุปจัจจัยยังไม่ที้งขาศัตวรักธาตุประพฤติผิดในการพูดเทศส่สอเสียดคำหยาเพื่อเจรเนี่ยลอบโกงและหลงมิฉาทิฏฐิไม่มีเหตุปัจจัยเลยอะว่างั้นไม่มีเหตุปัจจัยเลยใช่ไหมเนี่ยภิกษุทั้งหลายก็เมื่อบุคคลยึดถือเอาความไม่มีเหตุปัจจัยเป็นสาระฉันทะไม่เชื่อความเพียรในปัจจุบันไม่เชื่อฉันทะในปัจจุบันก็อยู่อย่างหลงสติอีกเหมือนกันว่างั้นเถอะอันตรายด้วย เชื่อดวงดาวเชื่อเทพประเจไอเชื่อดวงดาวเชื่อการหมุนเวียนของโลกเป็นต้นบางทีก็มันมาเลยอยๆอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าก็เลยบอกว่าภิกษุทั้งหลายสํานะพราหมณ์พวกที่มีวัฏทิฏฐิบกสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลได้สวยทั้งหมดเป็นเพราะกรรมที่ทําไว้ในปางก่อนโดยในนี้เพราะกรรมเก่าหมดสิ้นไปด้วยตะบะักไม่ทํากรรมใหม่ก็จะไม่ ถูกบังคับต่อไปเพราะไม่ถูกบังคับต่อไปก็สิ้นกรรมเพราะเสื่กรรมก็สิ้นทุกข์เพราะสื่อทุกข์ก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาก็เป็นอันสลัดทุกข์ให้หมดสิ้นไปพิกษุน์ต่างหลายพวกนี้คนมีวาทาอย่างนี้แท้จริงทรมานแต่อย่างพวกเราก็ชดใช้ไปโยมทงทํากรรมไม่ดีกับคนนี้ไว้ยเยอะยังมีลูกน้องอย่างเนี้ยก็ยอมชดใช้กรรมไปใช้จนกว่ากรรมจะหมดที่ต้องมาทนอยู่กับคนนี้ ต้องมามีลูกอย่างนี้มีพ่อแม่อย่างนี้มีสามีอย่างนี้มีภรรยาอย่างนี้ทีดอย่างนั้นไม่เม้งแต่ก่อนเนะี่ยถือว่าใช้กรรมไปเนี่ยเนี่ยละที่นี่คนก็ถึงใช่พุทธเจ้าสอนแบบนี้ไหมเนี่ยอย่างนี้ผิดนี่การเชื่อที่ผิดมีทิฏฐิที่ผิดมีความเห็นที่ผิดสังคมไทยเราน่าจะถึงแปดสิเอร์เซนตถึงไหมที่เชื่อกรรมเก่านี้ก็ถือว่าชดใช้กรรม เออตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าดูก่อนสิวะ่กะเวทนาบางอย่างเกิดพราะมีดีเป็นสมุทฐานก็มีเกิดจากการปวนแปรแห่งอุตุก็มีเกิดจากการบริหารตนไม่เหมาะสมก็มีเกิดจากการถูกทําร้ายก็มีเกิดจากผลของกรรมก็มีมองออไหมบางคนบอกว่าป่วยเนี่ยไปเข้าใจว่ามันเกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียวเนียแต่ที่จริงพระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดจากความปวนแปรแห่งอุตุก็มี ใหมอุตูมันไม่เหมาะสมมันก็ป่วยได้อุตูในร่างกายเนี่ยมันวิพปิตขึ้นมามันก็ป่วยได้ไม่ได้เกิดจากกรรมเก่าหรอกบางทีเกิดจากการบริหารร่างกายที่ไม่เหมาะสมก็นีใช่ไหมละ่ะเราเอียบทยืนเดินนั่งนอนไม่เหมาะสมป่วยได้ไหมเป็นโรคไตโรคตับโรคปอดนั้นมาจากตรงนี้ก็มีไม่ได้ย้อนให้กรรมเก่าอย่างเดียวแล้วเกิดจากการถูกทําร้ายมีไหมก็มีเกิดจากเสมหเกิดจากดีเกิดจากเสล็ดอีกเยอะมากเลยจนเกิดจากกรรมในแปดอย่างมันะมีอยู่อย่างนึงเกิดจากกรรม แต่เราเนี่ยโยนให้กรรมอย่างเดียวเลยใช่ไหมสมณพราหม์เราใดมีวาถ้ามีความเห็นว่าบุคคลได้สวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ใช่สุขไม่ทุกข์เวทนาทั้งหมดเป็นเพราะกรรมที่ทําไว้ในปางก่อนเรากล่าวว่าเป็นความเห็นผิดของสมณสมณพราหม์เหล่านั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดอะไรก็โยนให้กรรมเก่ากรรมเก่าตลอดเนี่ยแท้จริงยังไม่ได้สาวหาเหตุปัจจัยเลยว่างั้นเถอะ เราไปดูเหตุปัจจัยบางทีก็บอกอ๋อนี่เกิดจากอาหารนี่เกิดจากการใช้อะบ ท, ที่ไม่เหมาะสมเกิดจางที่าใช้ชีวิตในปัจจุบันไม่ถูกเกิดจากการใช้อะบทไม่เหมาะสมเกิดจากอุตุที่แปรปวนเกิดจากไอ้ดีเสเลททั้งหลายเหล่าเนี้ยกรรมมีอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ชัดขึ้นแต่ไม่ใช่ให้ปฏิเสธกรรมเก่านะกรรมเก่าก็มีส่วนไม่ใช่ไม่มี เดี๋ยวจะไปบอกในเรื่องกรรมเก่าตรงนี้ให้เข้าใจชัดขึ้นเดี๋ยวจะเดียวจะในจุรกรร ม, มวิพังกสูตรได้ว่าไปแล้วเนาะได้เอียดว่าไปแล้วมหากรร ม, มวิพังกสูตร แล้วก็พูดถึงในเรื่องของเออเนี่ยกรรมใหม่กรรมเก่าความเกิดแห่งกรรมและความดับแห่งกรรมเนาะพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงกรรมใหม่และกรรมเก่าความดับแห่งกรรมและข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งกรรมเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวกรรมเก่าเป็นอย่างไรจะถามพวกเราหน่อยอะไรคือกรรมเก่าอะไรคือกรรมเก่า อะไรเป็นกรรมเก่าจากขู่คือตานะจากขู่คือตาอันบันดิตพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่าถูกปัจจัยปรุงแต่งสำเร็จด้วยเจตนาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาใช่ไหมถามว่าที่เราได้จากขู่ประสาทมาได้ตามาเนี่ยใช่เป็นผลของกรรมเก่าห ม, หมเป็นไม่เป็น ราประคันในส่วนของจักคู่ประสาทเพราะกรรมใช่มเป็นกรรมเก่าคำว่าเป็นกรรมเก่าในที่นั้นถูกปัจจัยปรุงแต่งสำเร็จด้วยอะไรสำเร็จด้วยเจตนาเจตนาในการที่ปรารถนาอยากจะได้ตาแล้วก็ไปทำกรรมเพราะได้ทำกรรมมาแล้วก็เลยได้จักขคู่ประสาทกันมาได้ตากันมาเพราะได้ตากันมาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาหม สุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยตานี่บ่อยไหมอพอเห็นปุ๊บเนี่ยเป็นที่ตั้งของจักขู่สัมผัสชาเวทนาก็ได้ใช่ไหมจักขู่สัมผสัสสัชสุขเวทนาจักขู่สัมผัสชาทุกขเวทนาจักขู่สัมผสมัสสัชทุกขมสุขเวทนาเข้าใจไหมเห็นปั๊บเนี่ยทําให้เกิดความสุขใจได้ไหมทุกขใจได้ไหมเฉยเฉยได้ไหมสรุปแล้วเนี่ยตาเนี่ยเป็นอะไร เป็นกรรมเก่าสำเร็จมาจากเจตนาการจัดแจงปุงแต่งนะดีทำให้เราได้ตามมาได้มากันหรือยังได้แล้วนะเป็นที่ตั้งของเวทนาสามใช่ไหมเราเนี่ยเนี่เป็นอะไรเป็นกรรมเก่าเป็นผลของกรรมเก่าเนี่ย น, นี่นี่เริ่มเข้าใจแล้วนะสองโสตคือหูโสตประสาทอันบัณฑิตเห็นว่าเป็นกรรมเก่าถูกปัจจัยปุงแต่งสำเร็จด้วยอะไรเจตนา เจตนากรรมในอดีตที่ทําให้เราได้โสตประสาทได้หูมาแบบนี้เป็นที่ตั้งของสุขเวทนาได้ไหมมีหูแล้วทุกขเวทนาได้ไหมอุเบกขาเวทนาได้ไหมทุกวันเลยไหมอาศัยหูในเวทนาสามเป็นที่ตั้งของเวทนาสามตลอดไหมเสียงบางเสียงเกิดแล้วเป็นไงได้ฟังแล้วชอบใจไหมดีใจไหมบางเสียงฟังแล้วเครียดไหมเครียดเลยเสียงอะไรเอาฟังแล้วเครียดวันนี้ใช่ไหม เสียงอะไรฟังแล้วเฉยเสียงลมพัดใบไม้บ้างเสียงอะไรต่างๆเสียงที่ฟังเป็นประจำมาบางทีแต่ฟังแล้วก็เฉยเสียงธรรมชาฟังแล้วเฉยไหมเฉ <laughs> ยเฉยเลยติงเสงเบื่อก็มีใช่ไหมอุเบกขาเกิดก็มีสมานัสก็มีโทมาัสก็มีใช่ไหมล่ะเนี่ยเห็นไหมเป็นที่ตั้งของไอเ้เนี่ยสุขเวทนาทุกเนี่ยสตดเอาคารนะจมูกอันบนันดิตเห็นว่าเป็นกรรมเก่าถูกปัจจัยปรุงแต่งสาเร็จด้วยเจตนาพิตังเวทนาอากาศอย่างนี้ หายใจเข้าไปแล้วเป็นไงกินแบบเนี้ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไอเป็นสุขไม่กี่ครั้งมั้งบางทีก็นั่งเฉยๆมึนๆหายใจเข้าหายใจออกอยู่นั่นน่ะแสดงเห็นชัดว่าอุเบกขาเวทนาก็ณีมีเป็นที่ตั้งของความมึนๆงงๆก็มีใช่ไหมเอาชิวหาคือลิ้นอันบัณฑิตเห็นว่าเป็นกรรมเก่าไหมถูกปัจจัยพวงแต่งสาเร็จด้วยเจตนาเป็นที่ตั้งเวทนาเมื่อกินอาหารเมื่อตอนเพลนเนี่ยสุขเวทนาเกิดไหมทุกคํำไหม ฤทุกขเวทนาเกิดก็มีกัดลิ้นตัวเองเป็นไงเ <c oughs> <c oughs> วขาเวทนามา่กินก็งั้นงั้นแล้วว่างั้นใช่ไหมอ้าวแต่นี้กายะกายะก็คือบันฑิตเพิ่งเห็นว่าเป็นกรรมเก่ากายะประสาทเนี่ยถูกประจัยปรุงแต่งสาเร็จด้วยเจตนาเวลาหนาวแล้วเป็นสุ ข, ขเวทนาหรือทุกขเวทนาเวลาหนาวอ่ะร้อนล่ะ ถ้าหากว่ามันอุ่นสบายสบายเป็นบางทีก็มันก็เฉยๆก็เป็นเวขาเวทดนนเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี่ยกรรมเก่าแล้วก็มโนมโนเป็นกรรมเก่ายัางไงพวังที่เราได้มาจิตประจำตัวประจำพบไอ้มโนตัวเนี่ยเป็นกรรมเก่าถูกประจัยปรุงแต่งสำเร็จด้วยเจตนาปีติตั้งของเวทดนาเรียกว่ากรรมเก่าเนาะนี่เป็นกรมเก่าแล้ว เราได้มาแล้วได้ได้ใจในตาห pues, ูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจไอตัวมนุตัวผวังที่เราได้มาอันนี้แหละเป็นจิตเดิมที่กรรมเก่าวเป็นตัวปรุงแต่งมาได้มาไม่เท่ากันนะบางคนก็มีตัวผวังเนี่ยครั้งแรกนี่นะจนสืบต่อมาเนี่ยเกิดพราะไม่ใช่ความไม่โลภไม่โกรธปัญญาบางคนได้เหตุสามมาเลยบางคนได้เหตุสองปัญญาไม่มี โอ้ต้องมาสั่งสมอีกเยอะเลยนะอา่าเราทีนั่งนั่งอยู่ใครว่าได้เหตุสามมาได้ปัญญามาแต่การเกิดเขาเรียกตีเหตุถูกกับปฏิสนธิพวกนี้พวกนี้บรรลุธรรมได้ได้มีโอกาสบรรลุธรรมนี่ก็เข้เขาใจกรรมเก่ายังตาหูจมูกลิ้นกายและใจสรุปก็คือว่าไอ้ขันห้านี่แหละขันห้าที่ได้มาเนี่ยเนี่ยเป็นกรรมเก่าเป็นผลของกรรมเก่าเี่เนไหมนั้นจะบอกว่ากรรมเก่าแล้วก็ได้มาสตาร์ตมาเนี่ย จริงๆแลได้สตาร์ทมาเท่ากันไม่ได้ตาก็มีหูจมูกลิ้นกายใจได้มาได้ก้อนนี้มาใช่ไหมเป็นผลของกรรมเก่ามองเห็นอยังอะไรสําคัญที่สุดใจใช่ไหมใจที่กลุ่มนามาทําตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปธรรมส่วนใจเปน็นนามาทําสรุปก็คือขันห้าเนี่ยแหละใจเราก็รวมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในที่นั้นด้วยแล้วอะไรเป็นนี่เป็นกรรมเก่าเลยนะ อะไรเป็นกรรมใหม่อะไรเป็นกรรมใหม่การที่บุคคลกระทำด้วยกายกระทาเจตจำนงทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจณบัดนี้นี่เรียกว่ากรรมใหม่พอเรามีกายมีตาหัวจมูกลิ้นกายใจมาแล้วเนี่ยเราก็มาทำกรรมไหมพอเห็นปั๊บเนี่ยทำกรรมทางกายได้หรือเปล่าทำกรรมทางวาจาได้ไหมใจคิดนึกได้ไหม สรุปแล้วจากการเห็นอย่างเดียวเนี่ยทำกรรมสามได้ทีนี้ในกรรมสามเนี่ยทากุศลได้ไหมก็เป็นสุดจริตสามทำทุจริตได้ไหมก็ได้ทุจริตสามสรุปแล้วเนี่ยแค่เห็นอย่างเดียวทำกรรมได้กี่ทางสามทางแยกขยายเป็นหกายกรรมที่เป็นกุศลวจีกรรมที่เป็นกุศลมโนกรรมที่เป็นกุศลกายกรรมที่เป็น อ, อกุศลวจีกรรมที่เป็นอกุศลมโนกรรมที่เป็นอกุศลโอ้โหเนี่ยนี่กรรมใหม่สรุปแล้วเนี่ยจากการได้ตามาแท้เนี่ย ทำกันทุกวันไม่จากการเห็นเนี่ยพอเห็นปุ๊บ<ะ>พอเห็นแล้วเนี่ยโดยมากพอเห็นปั๊บเนี่ยกายกรรมวจีกรรมและมนโนโกรรมอะไรจะเกิดก่อนเร า, าเรามองไปตรงนี้เราคิดก่อนไหมเนี่ยคิดเป็นมนโนโกรรมไหมเป็นกุศลหรืออกุศลโดยส่วนใหญ่เราลองมองไปที่ กระต้อปนั่นเนี่ยพอมองปุ๊บไปเนี่ยเราเราคิดคิดทันทีไหมคิดคิดแล้วเห็นกุศลแล้วกุศลเกิดมองก็กระต้อป์เฉยๆนี่แหละไม่เข้าใจตามความเป็นจริงโ <c oughs> มงหะกินนี่ <c oughs> อู้ตายเลยโดยส่วนใหญ่อกุศลเกิดไหมเนี่ยยังไงเทอะกรรมใหม่เราทําอยู่เรื่อยไหมตลอดเวลาไหมทําตลอดเวลาเลยนะี่ย นี่คือกรรมใหม่นั้นจากการเห็นก็กายกรรมวจีกรรมโมกรรมได้ยินก็กายกรรมวจีกรรมโมกรรมได้กลิ่นก็กายกรรมวจีกรรมโมกรรมปลิ้มรสก็กายกรรมวจีกรรมโมกรรมสัมผัสถูกต้องก็กายกรรมวจีกรรมคิดนึกก็กายกรรมวจีกรรมโมกรรมเอาสามไปคูณหเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่สามหเท่าไหร่สิบปดคิดได้ยัง เห็นทำกรรมได้สามทางได้ยินก็ทำกรรมได้สามทางได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสคิดนึกทำกรรมได้สามทางเป็นอกุศลอีกสิบแปดเป็นกุศลอีกสิบแปดทำกรรมใหม่กันตลอดนี่คือกรรมใหม่เคยหยุดไหมไม่หยุดทําตลอดเวลาเลยจะหยุดทำกรรมก็ต่อเมื่อหลับหลับ <c oughs> ถ้าไม่หลับนี่ก็ทากรรมต่ออีกแล้วนี่เป็นอย่างนี้ ไม่เคยหยุดทํากรรมเลยเนะี่ยกรรมใหม่จะต่อเวลาเลยใช่ไหมและแต่นี้อะไรเป็นความดับแห่งกรรมกรรมนี้จะดับลงที่ไหนกายกรรมวจีกรร ม, มโมกรรมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจะดับลงณที่ไหนเาจะดับลงตรงไหนดับแล้วไม่เกิดอีกอะ่ะใช่นั่นแหละ นิโรธที่ถูกต้องวิมุตตินี่แหละเป็นทางดับแหงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่เราเรียกว่าความดับเหงกรรมนั้นถ้าตราบอยากจะดับกรรมหรือยังต้องวางจุดหมายว่าเราจะต้องดับกรรมให้ได้ทํานิโรธให้เกิดขึ้นให้ได้จุดหมายก็คือต้องสร้างนิโรธให้เกิดขึ้นถึงนิโรธเมื่อไหร่กรรมดับถึงนิพพานเมื่อไหร่กรรมจะดับเลยจะไม่มีกายกรรมเคลื่อนไหววจีกรรมเคลื่อนไหวมโนกรรมเคลื่อนไหวอีกเลยนั้นแหละในนิพพานเราไปที่ดับกรรมใช่ไหม เราจากแสดงกรรมเก่ากรรมใหม่และที่ดับกรรมและข้อปฏิบัติทางดำเนินให้เข้าไปถึงความดับกรรมคืออะไรสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบสัมมากรรมตะการกระทาชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวิมาะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสา ม, มาธิตั้งจิตมั่นชอบ นี่แหละเป็นข้อปฏิบัติปฏิบัติตทางดําเนินไปสู่การดับกรรมนี่พอพูดเรื่องกรรมนี่แสดงเรื่องอะไรเนี่ยอริยสัจใช่ไหมกรรมกรรมนี่เป็นทุกขสัจนะกรรมเก่ากรรมใหม่ไหมกรรมเก่านี่เป็นเป็นทุกขสัจกรรมที่กําลังทําใหม่เป็นสมุทยัยสัจจะ ใช่ไหมถ้าดับกรรมเสียได้เป็นนิโรธาสัจจะถ้าดำเนินชีวิตไปตามมัชฌิมาปฏิปทาเป็นมารกษัตริย์ <c oughs> เริ่มมองเห็นหีืยังหน้าดับหยังกรรมเนี่ยหน้าดับกรรมใหม่ไหมควรดับไหมควรเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละโอ้วันนี้อธิบายเรื่องกรรมเริ่มเข้าใจรายละเอียดมากขึ้นมีใครอยากถามอะไรไหม เรือกคิดไม่ออกอยากให้เราได้เข้าใจในเรื่องของเจตนากรรมให้ชัดก็จริงๆแล้วเนี่ยโอ้เราเราเห่นว่าไอ้ตัวกรรมเก่าเนี่ยมันคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นกรรมเก่ามันเกิดขึ้นสำเร็จจากเจตจำนงมาจากเจตนาเป็นตัวปรุงแต่ง ทำให้เราได้ตาอย่างนี้ได้หูอย่างนี้ได้จมูกได้ลิ้นได้กายและได้สภาพใจแบบนี้พอเราได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาแล้วเนี่ยก็มาทํากรรมใหม่กันต่อก็สายตานี่แหละเห็นพอเห็นก็ทําบุญบ้างทําบาปกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เคลื่อนไหวจากการเห็นจากการได้ยินเป็นต้นใช่ไหมแต่ละวันไม่เคยเอ๊ะวิธีการดับกรรมแล้วก็เจาะตาให้บอดเลยได้ไหมต่อไปมันจะได้เหลือทางเดียวคือมโนกรรมอย่างเดียวได้ไหม ไม่ได้อีกเป็นการกระ ด, ดับกรรมที่ผิดอีกใช่ไหมอย่างนี้ไม่ได้ดับท้าวอนนี่ยดับท้าวอต้องไปดับที่นิพพานดับที่นิพพานก็คือไม่ต้องเกิดอีกเคยเบื่อไหมวันวันหนึ่งก็ต้องอาศัยตาในการดูดูแต่ละทีก็ได้บาปได้บุญอยู่อย่างนี้แหละได้กายกรมกรมวัจจิรามโนกรรมอยู่อย่างนี้แหละเห็นก็กายกรรมวัจจิรามโนกรรมได้ยินก็น ก, ก, กายกรมกรมวัจจิรามโนกรรมก็ออกมาขยับขยขื่อนเคลื่อนอยู่ตลอดเวล า, านี้เลยใช่ไหม โดยมากก็เป็นบามากขบุญนี้เป็นต้นจากนั้นตั้งจุดหมายไว้เลยหนึ่งรู้กรรมเก่า2อรู้กรรมใหม่ที่กําลังจะทำสามจะต้องดับกรรมเ ถ, ถึงนี้โลดประการที่สามที่สี่ก็คือว่าที่สําคัญที่สุดรู้กรรมเก่าแล้วรู้กรรมใหม่ที่เป็นสมุทัยแล้วรู้จุดหมายแล้วทําข้อไหนต่อไปทําข้อที่สี่อย่างเดียวพอใช่ไหมตรงนั้นเรากำหนดขอบเขตเขาชัดแล้วนี่กรรมเก่ารู้แล้วนี่ขอบเขตก็คือตาหูจมูกนิ้วกายใจ กรรมใหม่ก็คือกายกรรมวิจิกรมกรมโนกรรมที่จะ ก, การเห็นได้ยินเป็นต้นก็ทํากุศลให้เกิดขึ้นนิโรธคือจุดหมายโดยต้องดับกรรมเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะสามอย่างเนี่ยทําข้อสุดท้ายคือมารข้อเดียวง่ายไหมง่ายไหมง่ายทำข้อเดียวเองอะ่ะแต่ว่าศึกษาทั้งสี่ข้อแต่ภาคปฏิบัติการอยู่ข้อไหนข้อที่สี่เท่านั้นเองเห็นไหม ย, ยากไหมเม้ ง, มงไม่ได้ยากอะไรเลยนะ หนึ่งรู้ว่ากรรมเก่าคืออะไรนะเมื่อกี้ว่ากรรมเก่าคืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมตาสําเร็จได้กรรมเก่าไหมที่มีตาแบบเนี้ยหูก็สำเร็จจากกรรมเก่าจากเจตนงเจตนาพิธิตั้งเวทนาใช่ไหมเป็นไหมมีตาเป็นที่ตั้งของสุขเวทนาไหมเห็นแล้วสุขเวทนาเกิดได้ไหมเห็นแล้วทุกขเวทนาเกิดได้ไหมเห็นแล้วเบีขาเวทนาเกิดได้ไหมเป็นที่ตั้งของเวทนาเยอะหมดเลย ได้ยินก็เป็นที่ตั้งเวทนาได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสและคิดนึกทั้งหลายเป็นที่ตั้งของเวทนาสรรลเวทนาเกิดทางตาสามทางหูสามจมูกอีกสมทางลิ้นสามทางกายสามทางใจอีกสามเท่าไหร่เวทนาสิบแปดนอดีเท่าไหร่ปัจจุบันเท่าไหร่อนาคตเท่าไหร่แปดสามสิบแปดสามเท่าไหร่ฮะภายในเท่าไหร่ห้าสี่ภายนอกเท่าไหร่ เออนี่แหละก็ เ, เวทนาร้อยแปดใช่ไหมตัวเราเองไงภายนอกของคนอื่นใช่ไก็กลายเป็นเวทนาร้อยแปดนั้นเวทนามีเท่าไหร่เวทนาสามก็มีเวทนาหกก็มีเวทนาสิบแปดก็มีเวทนาสามสิบก็มีใช่ไหมเวทนาร้อยแปดมีไหมมีไหมคิดยังไงคิดอย่างเมื่อกี้ไง โอ้ยยิ่งกว้างกวางขึน้นเวทนาเป็นปัจัยเกิดตัณหาใช่ไหมเวทนาคนอื่นเป็นปัจัยเกิดตัณหาเราได้ไหมโอ้โได้เวทนาของเราเป็นปัจัยเกิตัณหาเลยวยิงไม่จริ ง, รงเพราะว่าทางทาวารตาเนี่ยได้เวทนาสามใช่ไหมสุขเวทนาทุกวววเวทนาเวกาเวทนาใช่ไหมเห็นอย่านีได้ยินก็นได้สามกลิ่นริ้มรอสัมผัสคิดนึกหกทางสามสามหกเท่าไหร่อดีตเท่าไหร่ ปัจจุบันอนาคตเท่าไหร่ไหมห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ที่เกิดขึ้นกับเราในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ที่จะเกิดก็ดีเนี่ยอันนี้เขาเรียกเวทนาภายในภายนอกคนอื่นก็เป็นห้าสิบสี่ก็กลายเป็นเวทนาร้อยแปดก็เวทนาของที่เกิดกับโยมบีห้าสิบสี่เกิดกับชั้นห้าสิบสี่ใช่ไหมเป็นร้อยแปดไหม แล้วยอมบีมีสุขเวทนาเกิดจากการเห็นได้ไหมทุกข์ได้ไหมเบขาได้ไหมทางทวารตาเท่าไหร่สามหูจมูกลิ้นกายใจเท่าไหร่ก็เกี่ยวกับฉันไงถ้าฉันจะไปมองยอมบีฉันก็เห็นเวทนาของยอมบีเนะี่ยห้าสิบสี่เกิดกับยอมบีอนาคตยอมบีก็จะไปเกิดนี่แหละถ้ายังมีกระแสะตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ยอมบีก็จะไวได้เวทนาห้สิบี่ปัจจุบันก็ประสบเวทนาห้าบสี่ในอดีตก็ประสบเวทนาห้าสิบสี่ ของใช่ไหมมีเป็นต้นสรุปก็คือว่าอาดีตเท่าไหร่สิบแปดปัจจุบันสิบแปดอนาคตสิบแปดสรุปก็เวทนาห้าสิบสี่เกิดกับโยมบีตลอดใช่ไหมถ้าเป็นอดีตก็สิปดปัจจุบันก็สิบแปดอนาคตสิบแปดอันนั้นภายนอกของฉันไหมเออเป็นภายนอกฉันก็เข้าใจมันไงไม่ใช่โยมบีอะไรเวทนาเกิดขึ้นกันเพราะโยมบีมีตาหูจมูกลิ้นกายใจในอดีต ก็เลยมีเวทนาในอดีตสิปัจจุบันนีเวมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องมีเวทนาสามคูณกับเอหกนี่ก็เป็นสิบแปดแม้ไปในอนาคตถ้ายังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ก็ต้องไปได้เวทนาสิบแปดอีกใช่ไหมเอ อ, อย่างนี้เขาเรียกเวทนาภายในภายในของโยมบีแต่เป็นภายนอกของของฉันใช่ไหมต้องรู้ไหมต้องรู้หรือเปล่า เพื่อปัญญาไงใช่ไหมก็ต้องรู้ไม่รู้ได้ไงอันนี้ก็ไม่รู้ได้ไงวิจัยจนรู้ตัวเองหมดแล้วใช่ไหมนี่ก็เวทนาภายในเวทนาภายนอกรูปขันภายในรูปขันภายนอกสัญญาขันภายในสัญญาขันภายนอกสังขารขันภายในสังขารขันภายนอกวิญญาณขันภายในวิญญาณขันภายนอกใช่ไหมเราถ้างั้นเราก็จะเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลหมดจริงไหมจริง มันก็ยังไม่เห็นด้วยความเป็นรู ป, ปรขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะเราไม่เคยเจาะคิดแบบนี้เลยไงเอายมบีร้องโอยอยโอยเนี่ยโอ้ยมบีเป็นทุกข์ที่จริงคือเวทนาต่างหากเป็นทุกข์ไม่มียมบีหรอกใช่ไหมเวทหัวเราะชื่นใจชอบใจใครหัวเราะชอบใจก็เวทนาภายนอกเท่านั้นเองไม่ใช่สัตว์บุคคลชอบใจใดๆเลยเพราะไม่เห็นความจริงตรงนี้นี่แหละมนุษย์จึงติด ข้องกันอยู่อย่างนี้แหละมันมีที่ไหนล่ะมันก็มีแต่เวทนากําลังเกิดขึ้นเวทนาในอดีต ด, ดับไปหมดที่ยังเวทนาปัจจุบันก็กําลังเกิดกําลังดับอยู่เวทนาในอนาคตก็จะเกิดและจะดับใช่ไหมไม่เห็นมีคําว่ายอมบีอยู่เลยเนี่ยเห็นแต่วความเป็นเวทนาใช่แต่ยอมยังเห็นเป็นใช่อยู่นั่นแหละ ไม่เห็นได้ไงขนาะดคิดยังไม่ค่อยออกแล้วเออัน่นแหละถูกแล้วหลงไปบนสมมุตินั้นนะ่ะหลงไปเรื่อยเือยอย่าเพิ่งไปคิดออกเดี๋ยวจะพ้นทุกข์ถูกต้องแล้วที่คิดไม่ได้อย่าไปคิดได้ขันนะยุ่งเลยตอนนี้คนอื่นก็คิดไม่ได้แล้วไปคิดได้ยังไงนี่ผิดปกติได้ไหมล้ว เริ่มมองเห็นอย่างว่ามันยังมีอะไรอีกเยอะที่เรายังไม่ไปวิจัยอันนี้เป็นสุดตะแต่จะต้องไปวิจัยแยกแยๆให้เห็นด้วยความเป็นเวทนาขันจริงๆสัญญาขันจริงๆสังขารขันวิญญาณขันจริงๆยิงต้องรู้ว่าตาหัวใจเนี่ยเป็นกรรมเก่าเป็นผลของกรรมเก่ากายกรรมวีกรริญญนกรรมที่กําลังทํากันอยู่ทุกๆ ท, กทวารเนี่ยเป็นกรรมใหม่จุดหมายต้องดับกายกรรมวิญญกรรมให้ได้คือตึ้งีิโลด ฝึกในการเดินสัมมาทิฐิเป็นต้นในข้อมากเพื่อให้เขาถึงจุดหมายนั้นให้ได้ไอ้ผัสสัมมาทิถฐิไปเห็นอะไรก็ไปเห็นกรรมเก่าไงไปเห็นตาจากขู่โสตตาคตาชิวหากายะแล้วก็ใจเห็นกันห้าไม่ใช่เห็นด้วยความเป็นสัตว์บุคคลก็เห็นเวทนากำลังเกิดจากทางไงเห็นเวทนาที่กำลังเกิดจากภายนอกเนี่ยไม่ใช่ ก็สุขเวทนาเห็นทุกเวทนาเห็นเวขาเวทนากําลังเนินไปอยู่ทางทวารตาหูจมูกลินกายใจในในในในภายนอกนี่เป็นขันภายนอกที่กําลังดําเนินไปอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องข้อมูลล้วนที่ต้องรู้ไหมเนี่ยเพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้แหละจึงเดือดร้อนมองเห็นหรือยังเบรกพักกันหรือยังเอาแต่ เดี๋ยวพระเอาเอาอะไรถวายพระเลยดีน้ำเป็น